เดินทำทุกๆคนอาวันนี้วันพระหัสบดีที่20แล้ว20พุชกายน 2,557 แรม14คำวันโกนเดือน12นาพรุ่งนี้ก็วันสุดท้ายของปีแบบจันทรคติแล้วพรุ่งนี้15คำแรม15คำ ของจันทรคติเป็นสิ้นปีไงที่จริงเขาไม่ได้นับสิ้นปีเดือนสิบสองเราเขาไปนับเดือนห้าสิ้นปีเดือนสี่คือนับขึ้นเดือนทาเป็นปีใหม่แต่ทีนี้เราก็นับกลาง ๆ, ๆนับเดือนสิบสองอะไรกันไปก็เลยปนๆไปเปกันเอาเอาละมันเรื่องวันเดือนปี ทีนี้ก็มาพูดถึงเรื่องของเราเรื่องของชีวิตเรื่องของชีวิตชีวิตสัตว์โลกนะชีวิตสัตว์โลกวันนี้เราเรียนเรื่องความรักสิบมิติความรักสิบมิติซึ่งเป็นเรื่องที่อาตมาเห็นเป็นความสำคัญอย่างยิ่งทีเดียวเพราะว่าจริงๆแล้ว คนเรานะ่ะมันต้องมีความรักนะไม่มีความรักก็ไม่ได้ที่จริง อ, ะอ่ะในจิตที่พระพุทาธเจ้าท่านสอนแล้วก็เกิดจิตที่สูงจิตเจริญจิตประเสริฐจิตหนึ่งก็คือจิตเรียกว่าปิยกรณะนะ่าแปลว่าจิตที่มีคุณสมบัติที่เป็นอันเป็นที่รักปิยกรณะนะ่าเป็นความรักอันเป็นที่รัก นะเราเป็นที่รักเขาเขาเป็นที่รักเรานะเป็นที่รักปิยกรณะไม่ใช่เปรมะความรักที่กำลังพูดถึงอยู่เนี่ยภาษาไทยเรามันก็มีแต่คำวา่าความรักเฉยเฉยมันภาษาบาลีท่านมีเยอะท่านแยกออกนะความรักอย่างปิยะปิยกรณะในพุทธพจน์เจ็ดที่เราก็เรียนอยู่ว่าคุณธรรมเจ็ด อย่างเนี่ยสารณิยปิยกรณาครุกรณาสังฆะอวิวาท ะ, ะสามัคคียะเอกีภาวะเนี่ยเป็นคุณธรรมที่ประเสริฐเป็นคุณธรรมที่วิเศษซึ่งเรต้องศึกษาฝึกฝนให้เกิดให้เป็นจิตที่มีคุณธรรมชนิดนี้ทีเดียวนี่เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นในความหมายของคําว่าความรักในภาษาไทยเนี่ย เราจึงจะต้องพยายามทํำการเข้าใจให้ดีเลยว่าที่อาตมา ก, กําลังเอามาแยกแยกอธิบายเนี่ยมันเป็นความรักที่เป็นทุกขนะ์ความรักที่เป็นทุกข์แม้ในความรักที่ความหมายว่าเป็นทุกข์นี่แหละคําว่าความรักคําเดียวนี่พอสูงขึ้นสูงขึ้นมันก็หมดความทุกข์ได้เรากําลังอธิบายมาถึงมิติที่แปมิติที่แปดเป็นมิติของพุทธนะมิติถึกเป็นมิติที่ อัตเทวนิยมเลยนะเป็นมิติอัตเทวนิยมนะเป็นมิติของพุทธพุทธนั้นก็จะมีความรู้นะพุทธก็จะเป็นความรู้ในเรื่องของความรักทั้งหลายนั่นแหละจะมีความรู้แม้เราจะไม่เกิด บางคนอาจจะไม่เกิดความรักทางการเลยเกิดมาตั้งแต่เกิดจนกระทั่งแต่ก็คงน้อยเนาะความรักทางการไม่เกิดเลยนะก็ เ, เป็นได้นะแต่ก็ต้องรู้นะแต่ก็ต้องรู้ต้องเรียนต้องรู้ความรักทางการนะส่วนความรักที่สูงขึ้นสูงขึ้นถ้าความรักทางการ ม, มันจะยังสัมพันธ์กับความรักทางเรื่องของอบุตรหลาน ลูกหลานแล้วก็ความรักของญาติติโกโยติกาซึ่งความรักทางโยญาติโกโยติกาก็ต้องมีกับทุกคนนะมันต้องมีญาติอย่างน้อยก็มีพ่อมีแม่มีปู่ญาตายายแม่เราไม่มีลูกแม่เราไม่มีอะไรหลานเดินอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องมีพ่อแม่ปู่ญาติตายายมีญาติมีมิตรสหายความรักที่ระดับเป็นระดับระดับขึ้นไปนะ ความรักในระดับสูงขึ้นไปจนกระทั่งถึงมวลมนุษยชาตินะสังคมมวลมนุษยชาติจนกระทั่งถึงคนในระดับสังคมประเทศชาติสังคมรัฐอย่างนี้เป็นต้นและแม้แต่ที่สุดสังคมโลกมนุษย์โลกเลยเป็นมิติที่เจทุกสรรพสัตว์อย่างนี้เป็นต้ น, ต น, ตต น, น, ตนซึ่งความรักที่ว่านี้ มันเป็นความรักที่มีนัยยะสาคัญที่มันขยายออกถ้ามันแคบอยู่รักจะเฉพาะรอบขอบเคของกาหนดไว้แต่ไอ้อย่างพิติที่หนึง่งมีเราสองคนทางเพศพอเผอแพออกมาหาลูกก็มีแค่แวดวงแคบๆ แ, แต่มันก็เพิ่มความรักขยายขึ้นบ้างอย่างนี้เป็นต้นไปตามลำดับจนขยายขึ้นไปเป็นญาติ เหล่าลูสาคณญายาขยายขึ้นไปเป็นมิตรสหายเป็นสังคมจน ก, กระทั่งไปเป็นชาติเป็นรัฐแล้วก็เป็นจั ก, กรวาลเลยนะเป็นสัพพสัตว์พระมิติที่8นี่ก็จะเป็นมิติที่เรียนรู้มาตั้งแต่หนึ่งสองสาห้าหกเจดแล้วก็เ ร, เรียนรู้ฝึกฝนนะ เรียนรู้ฝึกฝนตนเองที่มีความรักในระดับแคบเล็กตั้งแต่หนึ่งเราก็เรียนรู้ตัวจิตตัวเจตสิกต่างๆที่มันเกิดอาการแค่นั้นอย่างนั้นน่ะมันอาจจะไม่จัดจ้านทีเดียวแต่มันก็มีเชิงอยู่อย่างนั้นเราก็จะต้องเห็นให้ชัดเข้าใจให้ดีเลยเห็นอาการของจิตที่เป็นกิเลสลักษณะพวกนี้นี่เป็นของพุทธ นภุธจะเรียนรู้ตัวจิตเจตสิกที่มีลักษณะมีอาการที่มาส่อเห็นถึงอาการกามมัตหากามมราคะจนกระทั่งที่มันขยายตัวออกมากว้างขึ้นกว้างขึ้ น, นก็มาสู่ความเป็นอัตตาจากกามก็สู่ความเป็นเรลืออัตตาที่จริงกามมันก็มีอัตตาก็เคยอธิบายมาแล้วมันซ้อนอยู่ข้างใน แต่เวลาการมมันลดลงลดลงลดล ง, ลงมันก็เหลือแต่อัตตาสุดท้ายเป็นพระอนาคามีแล้วก็เหลือแต่อัตตากามหมดอะไรที่เป็นต้นแม้ที่สุดรู ป, ร, ปราคาอรูปราคะมันหมดมันก็เหลือแต่อัตตาแม้ที่สุดหมดแล้วรูปราคาอรูปราคาก็อัตตาก็เหลือมานาะอุทธจักร อย่างนี้เป็นต้นหรืออวิชชาที่เป็นปลายอย่างนี้เป็นต้นนะนี่ก็นำอธิบายนำไปหน่อยหนึ่งลองอ่านดูในข้อเขียนนี่มันจะสั้นที่เป็นความรักสิมิติฉบับเขียนนะอาตมาจะอ่านฉบับนี้ดูก่อนความรักมิติที่เก้ะนะเราอ้มมิติที่8ปก่อนสิแม่ความรลกมิติที่แปดอะเทวานิยมนะ มิติแปดคือความรักที่เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างให้ท่องแท้ละเอียดละออทั้งรูปธรรมและนามธรรมโดยเฉพาะนามธรรมที่เป็นจิตวิญญาณและสัจจะแห่งความรักทุกมิติเห็นหสัจจ่งความรักทุกมิติตั้งแต่มิติที่หนึ่งไต่สูงขึ้นมา อ, อย่างจะเจาะละเอียดเป็นขั้นเป็นระดับ พร้อมก็เรียนรู้ให้เห็นแจ้งในเศรษธรรมของสภาวะแห่งความรักว่ามันคืออะไรกันแน่มันมีอาการอาการอย่างไรของผู้นี้จะต้องเรียนอาการทางนามธรรมาอาการทางจิตมันมีอาการอย่างไรอะไรเป็นเหตุให้เกิดความรักมีผลร้ายผลดีอย่างไรมันเกิดที่ไหนตั้งอยู่ที่ไหนดับในที่ไหน มันอาศัยอะไรเป็นอยู่หรือดำเนินไปในโลกจริงๆแท้ๆนั้นมันให้ความทุกข์หรือความสุขมันเป็นความจริงหรือความลวงแม้มันจะให้ความทุกข์แล้วมันก็มีประโยชน์บ้างหรือไม่นะมันให้ความทุกข์แล้วมันมีประโยชน์บ้างหรือไม่หากมันมีประโยชน์จะใช้มันเป็นประโยชน์ได้อย่างไรมันควรมีหรือไม่ถ้าคนมีจะมีได้แค่ไหนอย่างไร หากจะดับมันไม่ให้มันเกิดในตนเลยได้หรือไม่และถ้าจะมีมันเพื่อใช้สร้างประโยชน์โดยตนไม่ติดยึดนี่ก็สำคัญ嘛จะมีมันโดยใช้สร้างประโยชน์โดยตนไม่ติดยึดจะได้หรือไม่ที่สุดไม่ต้องมีอะไรอีกเลยแม้แต่สิ่งที่ความรักต้องอาศัย จะได้หรือไม่ตามที่กล่าวมานั้นเป็นประเด็นแห่งปัญหาที่มีคำตอบสมบูรณ์แล้วในศาสนาพุทธโดยสั จ, จและลักษณะอาการทางจิตที่เรียกด้วยภาษาว่าความรักเนี่ยที่แปลมาแต่ต้นมว่าอาการชอบใจผสมความยินดีนะความรักนี่อาการชอบใจผสมความยินดีนะ แท้จริงๆแล้วมันก็คือความต้องการนั่นเองดังที่สาธยายมาแล้วตั้งแต่มิติที่หนึ่งถึงเจก็ล้วนคือความต้องการซึ่งต้องการสร้างหรือต้องการทําลายนั่นหนึ่งและต้องการเพื่อตัวกูและต้องการเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นนั่นอีกหนึ่งสรุปเจ้าชัดอีกทีความรักไม่ใช่อารมณ์เฉยๆนิ่งๆ ความรักนี่มันไม่ใช่อารมณ์เฉยเฉยนิ่งนิ่งกลางๆงหรือไม่ใช่อารมณ์ที่หยุดสนิทอ่าไม่ใช่อารมณ์ที่หยุดสนิทนั่นเองแต่เป็นอาการทางจิตที่ต้องการให้หรือต้องการเอาต้องการให้หรือต้องการเอาและการต้องการสร้างหรือต้องการทำลาย มีประเด็นหลักมันก็มีความตรงกันข้ามกันอยู่สองอย่างคือต้องการให้หรือต้องการเอากับต้องการสร้างหรือต้องการทําลายถ้าใครไม่มีความต้องการให้หรือไม่มีความต้องการเอาไม่ว่าช่วงขณะในขนดขณะหนึ่งไม่ต้องการให้และก็ไม่ต้องการเอาในช่วงไม่ว่าช่วงขณะในขนดขณะหนึ่งหรือมีเป็นช่วงๆยาวสั้นบาง ช่วยาวมั่งสั้นมัง่งหรือไม่หรือมีถาวรก็ตามนั่นก็คืออาการนั้นเรียกได้ว่าอาการของผู้นั้นไม่มีความรักหรือไม่มีความต้องการนั่นเองแต่พฤติกรรมมันมีมันมีปฏิกิริยามันก็ทํางานกระเหตุปัจจัยต่างๆแต่จิตของเรามันไม่มีอาการให้ไม่ต้องการให้ไม่ต้องการเอาหรือไม่ต้องการสร้างไม่ต้องการทําลายอะไร เป็นอาการของผู้ไม่มีอะไรดุดอะไรผลักไม่มีาการปฏิพัฒน์ไม่มีการต้องการทําลายทำร้ายอะไรนะอาการทางจิตของเรานี่เกิดความต้องการขึ้นในจิตก็คือคนผู้นั้นกําลังเกิดความรักความต้องการที่ว่านี้ภาษาทางศาสนาพุทธก็เรียกว่าตัณหาความต้องการเนี่ยเรียกว่าตัณหา นี่กำลังขยายความรักว่าเมื่อมันมีความต้องการให้หรือต้องการเอาหรือต้องการสร้างต้องการทำลายพวกนี้ความต้องการนี้เกิดขึ้นที่เรียกว่าความรักนี่ักษะขยายความของความรักและลักษณะที่ต้องการให้หรือต้องการเอาหรือต้องการสร้างต้องการทำรลายนั่นแหละรจริงๆก็คือตัญหานะซึ่งแบ่งออกเป็นสามประเภทใหญ่ๆได้แก่การมาตันหา ภวตัณหาวิภวตัณหานี่ของพุทธเรียนชัดเจนว่ามันขยายความมันเป็นเหตุปัจจัยยังไงอาการยังไงแล้วเราก็รู้ลักษณะของมันจนกระทั่งเข้าใจอ๋อแล้วแบ่งแยกพระพุทธเจ้าแบ่งแยกให้ไว้เป็นสามสามความต้องการใหญ่ๆคือตากามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาหรือความรักที่เกี่ยวกับลักษณะ กามในเรขากามั น, นาความรักที่เกี่ยวกับลักษณะพบเรื่อว่าภาวะตัณหาความรักที่เกี่ยวกับลักษณะวิพบคือวิภาวตัณหาความรู้ละเอียดละเอียดขึ้นจึงอยู่ที่ความเป็นการความเป็นพบความเป็นวิพว่าเป็นอย่างไร กิน ค, ความแค่ไหนแตกต่างกันพิสดาร ก, กว่ากันถึงขนาดไหนจึงจัดแบ่งกันไว้เป็นสามอย่างนั้นผู้ศึกษาได้ศึกษาถึงความจริงของกามพบวิพบอย่างสมาธิจนเกิดวิปัสนาญาณก็จะดำเนินการกับสิ่งที่ควรและไม่ควรได้ถูกต้อง และนำพาชีวิตตนให้เจริญไปกับการมีความรักได้ทั้งอย่างมีคุณค่าประโยชน์ทั้งอย่างเป็นสุขวิเศษขึ้นจริงๆอยู่ในตัวพร้อมๆกันส่วนความรักนั้นคงจะพอจะเข้าใจกันอยู่ทั่วไปนะจนคนละมากคนะน้อยก็เอาเถอะจากคนละมากคนน้อยก็ตามพุงแต่ละคน ถ้าใครยิ่งได้เรียนรู้ได้ได้ฝึกหัดอ่านอ่านอาการในจิตอ่านอาการในจิตที่เกิดลักษณะของความต้องการให้หรือต้องการเอาและต้องการสร้างหรือต้องการทำลายอย่างจริงจังท่องแท้ในความซับซ้อนของความจริงพวกนี้ก็ยิ่งจะรู้แจ้งเห็นจริงในความจริงช เจนว่าสัจใจความรักคืออย่างไรกันแมนแมน ม, นมันมันยิ่งขึ้นเลยดังนั้นถ้าผู้ศึกษาฝึกฝนได้บรรลุผลสมบูรณ์รู้แจ้งอย่างถึงความจริงก็จะหมดปัญหาที่ว่าความรักนี่มันคืออะไรกันแน่มีอาการอย่างไรและถ้าถ้าหากว่าได้ศึกษาลึกซึ้งขึ้นไปถึงว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดความรัก มีผลร้ายผลดีอย่างไรก็ยิ่งจะรู้แจ้งมากเพิ่มเติมและจะได้จัดการส่วนที่ร้ายเนี่ยให้มันหมดไปจากตนพร้อมกับจัดการส่วนที่ดีให้เพิ่มพลังขึ้นให้เกิดคุณค่าประโยชน์แก่ตนแก่สังคมและโลกทัพทวีไม่ว่าจะเป็นประเด็นแห่งปัญหาข้ออื่นๆที่กล่าวไว้ในตอนตน้นเป็นต้นว่า <c oughs> มันเกิดที่ไห น, นตั้งอยู่ที่ไหนดับในที่ไห น, นมันเกิดที่ไหนตั้งอยู่ที่ไหนดับในที่ไหนมันอาศัยอะไรเป็นอยู่หรือดำเนินไปในโลกมันเป็นยังไงแท้จริงมันให้ความทุกข์หรือความสุขมันเป็นความจริงหรือความลวง ต่างๆที่พูดมาต้นๆและประเด็นอื่นๆทั้งหลายทั้งแหลนะ่ะดังกล่าวมาแล้วนะ่ะก็ต้องเรียนรู้ให้แจ่มแจ้งแล้วก็ฝึกนะฝึกฝนอบรมตนจนเกิดผลนะทำให้ได้ไปตามขั้นตามตอนจนกระทั่งสมบูรณ์นะนะ่ต้องทำให้ได้ผู้ศึกษาและฝึกฝนจนเกิดมรรคผลแท้จริงเราเรียกว่าอาริยบุคคล ใ น, ในมิติที่8เนี่ยผู้ทำได้เป็นลำดับลำดับขึ้นมาเป็นผลที่แท้จริงเราเรียกว่าอาริยะบุคคลซึ่งเป็นสัพที่กำหนดเรียกผู้บรรลุพุทธธรรมโดยแบ่งขั้นไว้สขั้นใหญ่ๆคือโซดาบันสกิทาคามีอนาคามีอรหันต์อริยะบุคคลในหมายความว่าคนเจริญเพราะ มีหรือเกิดความประเสริฐจริงในตนคนเจริญเนี่ยคนอ า, อ, าอาริยะบุคคลนี่คือคนเจริญเพราะมีหรือเกิดความประเสริฐความประเสริฐจริงๆเกิดขึ้นในตนตามทิศทางที่พระเจ้าทรงคนพบซึ่งเป็นคนโลกใหม่หรือคนโลกอื่นภาษาบาลีว่าปราลก ในอดีในไทยเราก็เรียกว่าปราโลกไทยเราจะเรียกปรปรโลกภาษาบาลีงเรียกปารโลกที่ชื่อว่าโลกุตระเนี่ยพุทธจะต้องเข้าใจคําว่าโลกุตระที่เรียกกันว่าปรโลกหรือปรโลกที่เรียกว่าปารโลกแม้ไปสู่ปราโลกเพราะนั้นที่ไม่เป็นพุทธไม่เข้าใจจริงๆแล้วปารโลกของเขาก็ไปเป็นอีกอย่างหนึ่งคือตายจากร่างกายแล้วก็ไปสู่ปราโลก ทีนี้ไอการไปสู่ปรโลกอย่างที่คนที่ไม่ใช่พุทธหรือแบบเทวนิยมก็เข้าใจมันก็เกิดไปจริงมันก็ไปแล้วไ ป, ไ ป, ไปเป็นไงก็ไปเป็นนรกไปเป็นสวรรค์จิตวิญญาณมันก็รับรับอย่างนั้นน่ะรับพบวีบากที่เป็นนรกเป็นสวรรค์ตายไปแล้วก็มีนรกมีสวรรค์น่ะหรือไปฝึกฝึกหรือปฏิบัติธรรม ถ้าฝึกอย่างฤาษีก็ไปปีพบนิ่งๆนิ่งเงียบดุจเป็นนิโรธดับอะไรของเขาเนะี่ยตายไปแลยเขาก็ทํามันนั้นได้ก็เป็นอย่างนั้นของเขาถ้าของพุทธแล้วก็ดับนิโรธแล้วถ้าเป็นพระ อ, อรหันต์แล้วก็ตายแล้วก็ท่านก็อยู่เงียบอยู่ดูสิสอสบายว่างเบาอยู่อย่างรู้ๆซึ่งต่างกันกับของฤาษีที่เขาดับ ปีเลก็ไม่รู้เรื่องเลยมืดไม่รู้เรื่องดับไปแล้วก็มืดไม่รู้เรื่องแต่ของพุทธันรูนะ้รู้ตัวเองรู้ตัวตนรู้สภาพว่า ง, าง au, ๆเบาๆอะไรต่ออะไรต่างๆนาะนาะมันไม่อึดอัดมันไม่เหมือนกันแล้วก็มันรับรู้อะไรต่ออะไรเนี่ยนะเพราะงั้นผู้ที่เรียกว่าปารโลกอย่างนั้นจึงเป็นปรโลกที่ถ้าเผื่อว่าไม่ดับมืดก็จะต้องตกนรกขึ้นสวรรค์สวรรค์หลวงซึ่งไม่มีมากหรอก ในภพของตายไปเนี่ยจิตจริงๆจิตเมื่อเวลาตายไปแล้วเนี่ยนะสวรรค์มันไปของตางหูจมูกลิ้นกายนอกจากคนหลงหลงแล้วตายไปแล้วก็เหมือนเป็นหลงสวรรค์ก็ไปปั้นสวรรค์อยู่ในสัญญาอยู่ในภพที่มันไม่ใช่จริงมันก็ยิ่งลวงเัินใหญ่แล้วก็เลื่อนๆเทอไปตามกิเลสมันจะปั้นมันก็เปลี่ยนวุ่นวายไปอย่างที่ฝันของคนน่นแหละมากบ้างน้อยบ้าง แล้วเทอไปตามพลังของกิเลสและพลังในความจะเป็นไปได้ที่ตัวเองจะมีพลังผู <c oughs> ้ที่เข้าใจอย่างนั้นก็เป็นอย่างนั้นและได้อย่างนั้นตานหุเทวานิยมก็เป็นส่วนพุทธนั้นไม่เป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าทำไปตั้งแต่ตื่นๆเ่ตั้งแต่มีชีวิตอยู่เนี่ยปฏิบัติไปละไปได้ เพราะนั้นนรกสวรรค์ก็จะขาดไปจากตั้งแต่เป็นๆนี่เลยตายไปแล้วก็ไม่ต้องไปมีรับไม่เป็นนรกม่เป็นสวรรค์ยิงเป็นพระอรหันต์แล้วก็ไม่มีนรกสวรรค์อย่างนี้เป็นต้นหรือแม้จะเป็นโซดาสกิทาก็ไปตามลาดับของภูมิธรรมเพราะปรโลกของพุทธจึงเป็นโลกที่รู้ตั้งแต่เป็นๆเนี่ยเห็นตั้งแต่เป็นๆ รู้ความจริงจริงๆเลย ร, รับทราบๆอย่างตื่นตื่นมีสติสัพปจัญญาปัญญาเลยรู้ชัดๆเลยเรียนดีๆสมาธิๆเลยจะรู้จักนรกสวรรค์ะจะรู้สัตว์นรกเรานี่แหละเป็นสัตว์นรกเราเป็นสัตว์สวรรค์มันจะรู้แจ้งเห็นจริงเห็นสัตว์นรกสัตว์สวรรค์เห็นสั ต, สตสวรร์ตรพรหมเป็นในขันไหนก็เป็นได้ขันนั้นเห็นนั้นนั้นรู้นันจริงๆนี่คนตาทิพแท้นะ ซึ่งพวกเราฟังแล้วยิ่งพวกเราได้ปฏิบัติพิกษุตัวเองแล้วก็ยิ่งจะดีว่ายิ่งจะเห็นจริงเห็นชัดเลยวาโอ้แต่ก่อนยังไม่เคยได้ยินได้ฟังไม่เคยรู้แบบนี้ไม่เคยรู้แต่แบบเทวานิยมเ็าว่ากันตายไปแล้วมันก็เลยงมงายกันดีไม่ดีก็ไปปฏิบัติผิดก็ไปสร้างอยู่ในภพนั่งหลับตาสมาธิก็เป็นภพสวรรค์เป็นนรกซึ่งเป็นเรื่องปุงแต่ง สร้างพบสร้างชาติขึ้นมาเจอปั้นในโน่นปั้นในนี้ขึ้นมาสารพัดสารเพเรียกว่าอาศัยขันอนาคตอาศัยเป็นฟุ้งซ่านอาศัยขันอนาคตเพอไปปั้นไปอย่างบางสำนักจะเห็นโอ้โหเขาปั้นบอกกันพูดกันอย่างโน่น อ, อย่างนี้สวรรค์แบบนั้นอย่างนี้จะไปพบว่านนั้นนี้สารพัดสารเพสร้างขึ้นมาปั้นขึ้นมาเป็นอุปทานให้คนหลงติดหลงยึด พอลงติดลงยึดก็นึ ก, กว่าจริงมันก็เป็นอุปทานจริงตายแล้วก็หลงสวรรค์แบบนั้นหลงโลกแบบนั่นแหละไม่ได้ก็ทุกไปยึดมากตรงได้ทําไม่ได้ก็ทุกอยากได้ทุกทุกทุกอยู่นันนะ่ะก็สร้างเองทางนั้นนะ่ะถูกครอบงําดังความคิดจนกระทั่งยึดติดแล้วก็ทุกไปเองนะั่นน่ะมันน่าสงสารจริงๆคนเราเนี่ยอวิชามันพาให้เพิ่ม แล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเพิ่มนะเขาเพิ่มสวรรค์ลวงนั่นแหละเท่ากับเขาเพิ่มนรกจริงให้แต่ตัวเองเขาเพิ่มสวรรค์ลวงให้แก่นตนเองนะ่ะสร้างไปเท่าไหร่ถ้ายิ่งคนที่เป็นอาจารย์หรือเป็นผู้สร้างสวรรค์กําหนดสวรรค์สร้างพบสวรรค์ใหม่ๆโดยที่ตัวเองไม่รู้เรื่องนั่นแหละตัวเองเป็นจอมสวรรค์ที่เป็นจอมนรกตัวเองตกก่อนเขาเลย นะหรือยิ่งตนเองนี่แหละรู้อยู่ว่าอันนี้มันไม่มีจริงหรอกหลอกหลอกคนให้คนหลงปั่นหลอกไปปั่นหลอกไปไอคนนี้ยิ่งเป็นนรกชัดๆนรกใหญ่ๆเลยเพราะอะไรเพราะตัวเขาเองเขารู้อยู่ว่าเขาหลอกเขาทําชั่วเพราะตายไปแล้วเนี่ยมันเป็นความชั่วจริงอนุสัย์ความชั่วที่เขาทำํำอีบากชั่วหนักเลย โลกใหม่นะที่เรียกว่าปารโลกนี่คือโลกอื่นหรือโลกใหม่เนี่ยหมายความว่าคนเจริญเพราะมีหรือว่าเกิดความประเสริฐจริงในตนตามทิศทางที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบซึ่งเป็นคนโลกใหม่หรือคนโลกอื่นปรโลกที่ชื่อว่าโลกุตระที่เรียกที่เรียกว่าโลกใหม่ก็เพราะว่าเป็นโลกที่ต่างจากโลกเก่าแล้วจริงๆนะโลกเก่าคือโลกโลกิยะต่างแล้ว ตั้งๆที่ยังเป็นคนนี่แหละเป็นคนเหมือนกันมีกายมีจิตวิญญาณเช่นเดียวกันอยู่ในสังคมเดียวกันนี่แหละแต่มีความรู้สึกนึกคิดเป็นอันอื่นประประโลกรปอระเนี่ยมันเป็นความคิดอันอื่นเป็นอันอื่นต่างไปจากคนโลกเก่าต่างไปจากคือคือประมันต่างไปจากอันนั้นนะอันใหม่ อันอื่นต่างไปจากกรประนะนอกไปจากเดิมแล้วมันไม่ใช่อันเดิมแล้วนอกไปจากเดิมแล้วอย่างจริงๆเลยความรู้สึกนึกคิดของชาวโลกเก่าเรียกว่าโล ก, กียะเป็นโลกที่ใครก็รู้แล้วก็เป็นอยู่อย่างนั้นอย่างนั้นกันทั้งนั้นน่ะส่วนโลกใหม่นี้เป็นอีกโลกหนึ่งที่แปลกไปกว่าโลกเก่าคนละทิศละทาง ความเป็นโลกซึ่งหมายถึงความหมุนเวียนอยู่ไปไปมามาอย่างไม่รู้จบเนี่ยถ้าความเป็นโลกนั้นดับลงความเป็นโลกเก่าหรือไม่มีความหมุนวนของสิ่งนั้นก็คือหมดความเป็นโลกหมดความวนมันไม่เกิดมาวนอีกมันไม่ว น, นลโลกโลกเก่าของคนหรือว่าโลกกิยะของคนก็คือความวนเวียนเกิด ตายตายเป็นชั่วขณะพอมันเกิดสวรรค์แล้วมันก็ดับจากสวรรค์มันก็ตายไปพักในจุดกลางๆไม่สุขไม่ทุกข์ไม่ลงนรกก็ไอยากอีกลงนรกอีกก็ลงนรกไปเกิดใหม่เกิดนรกเกิดได้เสพสมก็เป็นสวรรค์หลอกถ้าไม่ได้ก็ตกนรกซ้ำซ้อนไปอีกอยากแล้วก็ไม่ได้อีกตกนรกซ้อนไปอีกโอ้โหอ จะเห็นได้ว่าสวารรค์นี่ได้เสียภาพขึ้นไปเสร็จแล้วก็ต้องตกจากสวรรค์ไอ้ ส, สว่สวนนรกเนี่ยได้นรกก็หลมเป็นสวรรค์แล้วก็ต้องตกนรกไอ้ส่วนนรกเนี่ยพราะได้เสียก็ดีหน่อยขึ้นสวรรค์หลวงแล้วก็ตกมาในโกอีกส่วนนรกไม่ได้ทีนี้อยากก็ตกนรกไม่ได้อีกตกหนักเข้าไปอีกเลย x x x x น, ก น, กนรกซ้อนเข้ขเาไปอีกเลยนรกมีหลายชั้นตกหนักเข้าไปเติมเข้าไปใหญ่ สวนวรรค์มีชั่นเดียวสวรรค์ดวงแล้วก็ตกสวรรค์ดวงขึ้นไปแล้ว ก, ก็ตกไม่มีอะไรเพิ่มแต่นรกนี่ตกซ้ําตกซากตกซ้ําตกซากอยากได้พอได้ไม่สมใจก็ตกนรกไม่ตกนรกไม่พอพยาบาทอีกกูต้องเอาแก้แค้นนรกกินห่วงอีกซ้ําอีกโอ้โหไม่รู้กี่แด ง, งกี่แดงเสร็จแล้วก็ไปสัตดกันอีกเกิดอะไรขึ้นมาเป็นเหตุปัจจัยใหม่อีก นรกซ้อนนรกซ้าก็ไปอีกเฮ้ยเมื่อยแค่พูดนั่นเนี่ยแค่บรรยายยังไม่ทะลุทะลวงยังบรรยายไม่หมดเลยเมื่อยแล้วนรกนี่มันโง่ไงนึกออกไหมมันโง่ไงมันก็เลยทํายิ่งหน้ามืดตาโมยยิ่งดำยิ่งนรกหนักหนักซ้อนซ้อเลยแต่สว่างนี่มันลวงแล้วก็ไปเสพสวรรค์นิดนึงแล้วมันก็ตกองตก ตกสวรรค์มันไม่มีอะไรมากสวรรค์หายไปแว บ, บเดียวแว บ, บเดียวก็หายแว บ, บเดียวก็หายสวรรค์จริงนะนะไอ้คำ ว, ว่าจริงนี่คือหมายคำ ว, ว่าสวรรค์นะที่จริงมันหลอกแต่คนไปไปบรรยายกันว่าสวรรค์นี่นะโอ้โหนานอยู่สวรรค์นี่นานนะมีอาการนานนะเพราว่าสวรรค์มันนานจริงๆมันไม่ใช่หรอกสวรรค์นั้มันไว้ นรกที่มันนานโอ้ยเมื่ อ, อไหร่มันจะหมดทักทีวะนรกนะ่ะมันนานเวลาผ่านไปไม่กี่นาทีเลยมันก็โอ้โหเหมือนมันยาวทั้งปีแต่สวรรค์นะ่ะอยู่ไปโอ้มันกลับกันไงสวรรค์นะ่ะนะไปอยู่แวบเดียวเผลอนึกว่านานแต่ที่จริงไม่ใช่นรกสินาน ทรมานมันเลยรู้สึกนานความทรมานเนี่ยรู้สึกนานไม่กี่นาทีก็รู้สึกนานนานโอ้ ย, มยหมดมเลยจะหมดทุกทีหมดยจะหมดทีใช่ไหมสวรรค์เนี่ยแวบโอ้ยทำไมหมดเร็วจังทำไมหมดเร็วจังนะสวรรค์นี่แวบแบบแบบทั้งนั้นเลยแต่ทําไมไปอธิ บ, บายว่าเมืองสวรรค์เนี่ยเวลายาวนานกันไม่รู้ <laughs> แล้วก็บอกว่ามีเทพธิดาอะไรมาเก็บดอกไม้เสียจแล้วเพื่อน หลบมาเกิดในบรวษมนุษย์ตั้ง80ดสิบปีนะพอเกิดมนุษย์แล้วเสร็จมาแต่งงานมีลูกมีเต้าคุณไปอายุตั้งแปดสิบเกิดแล้วก็คอยนพลุขึ้นไปสวรรค์อีกไอ้นี่ยายพวกนี้ก็ตลกเนาะแล้วมันทำไมมันเกิดไปสวรรค์ง่ายได้ ย, ยังเลยมันมีลูกตั้งแ0ดสิบนี่มันมีวิบากอะไรก็ไม่รู้ทำไมไม่ได้ไปเกิดนรกวม่ไม่ไปเกิดนรกทำไมเกิดสวรรค์ ถ้าไปเกิดตะวันไปเจอเพื่อนยังเก็บออกมาอยู่เพื่อนก็รู้สึกว่าเอ๊ะหายไปไหนแป๊บหนึ่งหายไปได้มาไปเกิดในโลกมนุษย์มาโอ้ไปเกิดมาเลยโอไปแป๊บเดียวโอ้ไปตั้ง8ปดสิบปีมีลูกตั้งหลายคนอะไรเงี้ยเออนิทานพวกนี้ก็เล่าซับซัซอนตอนอลกดีเนาะ จริงๆแล้วนะ่ะนรกมันรู้สึกนานทรมานทรกรรมว ส, สวรรค์แวบเดียวจริงนรกอย่างที่อาตมาอธิบายแล้วมันนรกน่ะมันมันโง่อะพวกนรกที่ทํานรกมันยิ่งซ้ํายิ่งซ้อนซ้อนซ้อนซ้อนอ น, อ น, อ น, อ น, น่ากลัวเพราะกานใครก็ตามอย่าไปก่อกรรมชั่วอย่าไปก่อนรกอาตมาว่าอาตมาอธิบายไปเรื่อยๆนี่ยังไม่หมดนะ ในเรื่องที่จะรู้คุณรู้โทษก็ดีในเรื่องของสิ่งที่น่ากลัวก็ดีแต่คนมันเอาวิชาจริงจริงมันหลงผิดมันไม่เข้าใจอาตมาค่อยค่อยคุยความจริงคุยสัจธรรมขึ้นมายืนยันมาบอกให้ทราบฟังดีๆจะเข้าใจขึ้นหรือว่าอาตมาแต่งเรื่องลวง ฟังแล้วเข้าใจหรือว่าเห็นว่าเอ๊ะนี่มันยังงง ง, งอยู่งสงสัยมันเหมือนเรื่องลวงหรือว่าเออเข้าใจดีขึ้นเข้าใจขึ้นแบบไหนนะแบบเข้าใจขึ้นหรือแบบเอ๊ะง ง, งงงนี่แบบนี้มันหลอกหรือเปล่าลรงลวงหรือเปล่าแบบไหนเข้าใจขึ้นใช่ไหมอาตมาก็ว่างั้นนะพวกเรานี่มันมีภูมิปัญญาพอจะเข้าใจอย่างที่ว่าแล้วสัจธรรมเนี่ยยิ่งนานยิ่งศึกษาไปเรายิ่งภูมิสูงขึ้นเราจะเห็นจริงได้เลย พออธิบายพอบอกไปเนี่ยมันจะชัดขึ้นมันจะเห็นจริงเลยโอ้มันยิ่งนี่แหละคืออานิสงส์ในการฟังธรรมได้ฟังแล้วเออมีมุมนี้อย่างนี้มันใหม่ขึ้นใหม่ขึ้นเออมันเข้าใจยิ่งขึ้นนะเข้าใจยิ่งขึ้นในความที่เคยคองกข้องใจคล่องใจกัข ง, จขงขาหายไปทิศก็ตรงขึ้นตรงขึ้นตรงขึ้นจิตก็โล่งสว่างสบายนะเริ่มใสศรัทธา มาปลอดโปรงขึ้นมา่เป็นสัจจะนะ <c oughs> อัเพราะงั้นในเรื่องโลกเก่านี่ก็คือโลกคือความว น, นวนเกิดวนตายแล้วก็ตายเกิดอยู่วนอยู่อย่างนั้นน่ะวนเวียนอยู่เพราะอำนาจของกรรมของวิบากที่ตนเองไม่รู้จักไม่รู้จักอย่างแจ้งจริงแล้วก็ต้องไปไปไปตามกรรมตามวิบากดีๆชั่วช่วทุกทุกสุขๆขึ้นสวรรค์ลงนรก ตกนรกขึ้นสวรรค์สูงสูงต่ตําเำขาวขาวดำๆำ ด, ด, ด, ด, ด, ดรวยยากจนสวยหรือขีเรอะไรสารพัดสมมุติของโลกนับไม่ถ้วนที่ต้องหมุนวนไปตาอมอำนาจของกุศลกรรมอกุศลกรรมและที่สคาคัญคือในโลกเก่าหาทฤษฎีที่จะทาให้คนที่จะให้คนหาทฤษฎีเก่าที่ทำให้คน คำตนสูงจริงดีแท้มั่นคงถาวรชนิดติดเที่ยงแท้มีหลักประกันชนิดที่จิตได้สำรอกเหตุชั่วอย่างถูกตัวถูกตนของมันและเห็นแจ้งของจริงด้วยญาณปัญญาอันยิ่งของตนนะมันยังไม่ได้นะที่มันสามารถทำได้นี่มันเป็นปัญญาอันยิ่งเป็นเป็นผลได้ที่ข้ามชาติกันเลยทีเดียว ได้แล้วมันข้ามชาติไปเลยได้ไปต่อไปเรื่อยๆนื้นก็หากันยังไม่ได้ยิ่งกว่นั้นก็คือไม่สามารถทําให้จบการเกิดการตายอย่างเด็ดขาดจริงน ะ, ะเพราะพวกเราเรียนมาปฏิบัติมาเรียนมาถึงขนาดนี้เราจะรู้ว่าเห็นการเกิดการตายแล้วเราเห็นความเกิดความตายจริงๆนะแต่ความเกิดความตายร่างกายเกิดร่างกายตายนะมนไม่กระไรแล้วใครมันก็เห็น คนนั้นเกิดคนนี้ตายสัตว์เกิดสัตว์ตายไอ้นั้นไม่ใช่การตรัสรู้ไม่ใช่เรื่องจะรู้การความเกิดความตายมันเห็นความเกิดความตายของทางจิตปัญญาณจริงๆเลยโลกเก่าหรือโลกียะยังไม่พ้นความเป็นทาตจึงเรียกว่ายังไม่พ้นโลกธรรมผู้ชัดๆก็คือไม่พ้นโลกียธรรมหรือว่ายังเป็นทาตุลาบยศสันเสริญ โลกยสุขโลกี ย, ส, กยสุขที่เป็นสุขด้วยกามและสุขด้วยอัตตาไม่มากก็น้อยไปตามที่ตนเองติดจริงคนโลกกก่าก็จะพอรู้ความเป็นทาตดังกล่าวนี้อยู่บ้างคนที่ทั้งโลกโลกเขาก็พอรู้นะและมีผู้พยายามทําตนให้พ้นจากความเป็นทาตเหล่านี้เหมือนกันซึ่งทำได้ชั่วคราวหรือว่าจะนานก็อาจจะนานติดต่อกันเป็นยืนยาวได้หลายชาติเหมือนกันแต่ ไม่จบการเวียนบนบนเวียนข้าจะทาให้มันไม่มีชะลอให้มันไม่เกิดได้เหมือนกันแต่มันไม่จบการวนเวียนไม่หยุดการวนเวียนอย่างเด็ดขาดชนิดเที่ยงแท้ถาวรยังไม่เป็นหลักประกันที่แน่แท้สมบูรณ์เขาจะไม่มีหลักประกันจริงเลยแต่ของพวกเรานี่จะมีหลักประกัน ถ้าใครสามารถปฏิบัติแล้วเห็นจริงว่าโอ้มันประกันได้เลยเป็นหลักประกันที่จิตของเราจริงที่อันใดที่เรามีของเราพิสูจน์แล้วว่าโอ้ไอ้อย่างนี้อแต่ก่อนเราสุขเราทุกข์เป็นสวรรค์เป็นนรกเด็ดเดจริงๆเดี๋ยวนี้เราไม่มีจริงๆเลยสัมผัสมันอยู่มันยั่วยวนกว่าเก่าเลยซ้าไปมันมีอะไรใหม่ๆกว่าเก่ายังไงก็เราก็ไม่ได้งมงายไม่ได้หลงไม่ได้อะไรก็มันอีกมันวมันมีแปลกมีใหม่มี แถมมีเติมมีอะไรอะไรมายังไงอีกเราก็กระทบสัมผัสแล้วเราก็โอ้ยไอย้ยางงี้ไอ้ะตระกูลเนี้ยไอ้สัตว์ตระกูลนี้นรกสกุตระกูลเนี้ยสัตว์นรกตระกูลเนี้ย เ, เข้าใจเห็นแล้วก็จิตไม่เด็กบันไว้อะไรเลยณกกรรมปติน้าไม่กระดุกกระดิกอะไร นะคนที่มีของจริงต้องอ่านต้องรู้ความเป็นจริงให้ได้ถึงจะเรียกว่าเออนี่เรารู้แจง้งเห็นจริงในสิ่งที่เรียกว่ามันดับมันเกิดหรือว่ามันบรรลุมันพ้นแม้จะเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยคุณต้องเรียนรู้จริงๆแต่ถ้าเริ่มรู้อันหนึ่งได้นะ่ามันมีตัวอยา่างสักเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นนักสัตว์โลกในเรื่องใดเหตุปัจจัยใดแล้วก็ดับได้เหตุปัจจัยใดคุณก็จะเป็นตัวอย่างนะ่าเป็นแบบให้แก่ตนเอง อันอื่น ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆก็มันปัจจัยต่างกันเท่านั้นเองแต่ความจบความดับด้วยความไม่มีจุดเป็นนิพพานนะเป็นมิมุตมันอันเดียวกันหมดนะอารมณ์ของนิพพานอารมณ์เดียวกันหมดไม่ว่าขอพระพุทธเจ้าหรือของพระอรหรันต์แต่ละองค์แต่ละมันกันนะศูนย์เหมือนกันนะเพรานนะรอของผู้ที่ยังไม่ใช่พุทธนี่จะไม่มีนะไม่มีทางที่จะทําให้ดับในเด็ดขาด เ <ersch> ป็นหลักประกันแน่แท้สมบูรณ์แอบส์โซลูตดังนั้นโลกเก่าหรือโลกกิยะจะเป็นอยู่อย่างเก่าๆเดิมๆนั่นเองหมุนหมุนวนหมุนเวียนอยู่ดีๆโจโจ้ทุกๆสุขขึ้นสวรรค์ลงนรกต่ำกสูงๆต่ำๆเขาเดำๆำดำดำรวยรวยอยู่อย่างงี้แหละถ้าไม่รู้จักโลกใหม่ชื่อว่าโลกุตระนะมันจะวนอยู่แค่นั้นทำไงรู้โลกใหม่ที่ชื่อว่าโลกุตระ โลกุตระนี่เราก็เรียนกันมาจนกระทั่งว่าเริ่มต้นตั้งแต่รู้จักกายในกายจะเริ่มเข้าทางโลกุตระแล้วยิงรู้จักกายและดับสิ่งที่มันติดยึดอยู่ที่กายนอกนั่นกายในนี่อะไรอะไรเข้าไป อ, โ อ, โ, อโอ้ยิ่งจะชัด mm. พราะโลกิยะนี่หรือว่าโลกสามัญที่ทุกคนเคยผ่านมาเนี่ยมันผ่านมาทั้งนั้นผ่านมาทุกคนเคยรู้เคยเข้าใจเคยเชื่อเคยยึดถือมาเคยเห็นเคยเป็นเคยรู้สึก เคยมุ่งหวังเคยท้อถอยเคยสุขเคยทุกข์เคยโลภโกรธหลงเคยรักเคยจางคลายอะไรเคยตายตายจากแต่ไม่จบไม่เลิกคือลากจากมาวางมาไปคร า, าวๆอะไรก็แล้วแต่นานไปก็ชินชาได้นายไก็ไม่เอาแล้วไม่ติดไม่ยึดกันแล้วแต่ไม่จบไม่เลิก เพราะว่ามันไม่รู้เหตุแล้วก็ไม่รู้จริงนะไม่รู้เหตุไม่รู้จริงมันก็ไม่จบไม่เริก ม, มันก็เวียนบนไปใหม่นะเวียนกลับมาเป็นกันใหม่แล้วไ ป, ไปแล้วก็ไปอีกเวียนบนปุ๊บอยู่อย่างนั้นนะไม่ไม่ชัดเจนเป็นความบนบนเวียนที่เกิดแล้วเกิดเล่ามาแต่ไหนแต่ไรเลยไม่มีทางหลุดพ้นออกไปจากมันเป็นที่สุดที่สิ้นได้จริงแท้ชนิดดับถูกเหตุ อย่างถูกตัวถูกตนของมันสักทีงไม่มีทางเห็นสักกายะไม่เห็นทางที่จะรู้องค์ประชุมองค์รวมของตัวกิเลสตัวนี้สังขารปรุงขึ้นมาในจิตนีน้รู้ไม่ได้เห็นไม่ได้เป็นไม่ได้ส่วนโลกใหม่โลกใหม่มิติที่แเนี่ยรู้จักโลก โลกใหม่นั้นเป็นโลกอื่นเป็นโลกปารโลกเป็นโลกที่ต่างหากจากโลกเก่านะปรโลกนี้มีคุณลักษณะและความเป็นไปดำเนินอุดมการไปอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าโลกอุดรหรือโลกโลกุตระอันแตกต่างจากคนทั้งหลายทั้งปวงในโลกเก่าที่เรียกว่าโลกิยะไปแล้วจริงๆ ชนิดมีวิถีชีวิตเดินทางไปสู่นิพพานอย่างแน่น อ, น, อนในอนาคตข้างหน้าผู้ที่มีความรักชนิดอเทวนิยมนี้แหละหรือคนชนิดมิติที่แปดนี้จะเรียกว่าอารยานิยมก็ดีเรียกว่าโลกุตระนิยมก็ได้นี่มิติที่8อารยะ ธรรมาชาติคำอาริยอาริยะนิยมหรือเรียกว่าโลกุตรนิยมก็ได้นีน่มิติที่8ปดะลองมาขยายความกั น, นในเล่มนี้ก็เขียนไว้แค่นั้นจบนที่มาขยายความที่บอกว่าความรักคือความต้องการนี่ ต้องการให้กับต้องการเอาต้องการสร้างก็ต้องการทำลายมันมีนยืยอลึกซึ่งซ้อนนะถ้าบอกว่าต้องการต้องการนี่คือตัณหานะตัณหามีสามกาณาพะวะตนาวิาะวะตหาที่ต้องการอัน แรกที่ว่ากา ม, มาตัณหาแล้วก็รู้อาการของความเป็นกามเราต้องการความเป็นกามต้องการเอากามเนี่ยมันไม่ได้ต้องการให้มันต้องการเอาแม้แต่ความเป็นพบมันก็ต้องการเอาอ่มันก็ต้องการเอ า, อ า, เ, อาเพราะกามกับพบมันต้องการเอาทั้งนั้น นะมันไม่ไม่ไม่ไม่เป็นเอาหรือว่าแม้แต่ต้องการที่จริงฟังอีกว่าทำการไม่ต้องการสร้างหรือต้องการทำลายที่จริงมันสร้างกามมันสร้างภพมันไม่ทำลายกามมันไม่ทำลายภพอย่างนี้เป็นต้นนะไม่ทำลายกามไม่ทำลายภพ ทีนี้อีกตันหาหนึ่งคือวิภพก็คือไล่ไปจากคำว่าพบมันก็ทำลายพบไม่สร้างภบทำลายพบไม่สร้างพพเพราะเหตุที่มันสร้างพบก็หาเหตุให้เจอแล้วดับเหตุนั้นดับเหตุนั้นพบก็ดับดับเหตุนั้นไม่เกิดมันก็ไม่มีชาติ พอดับเหตุที่มัน ม, มีชาติแล้วพบมันก็ไม่มีตามไปนะซึ่งเป็นอิทธิปัญตาหรือเป็นปฏิจมุบาทชัดๆนะทีนี้เราต้องการเอาหรือต้องการให้เราต้องการเอาความไม่มีพบ เ, ออเราต้องการเอาความไม่มีพบนี่แหละมันทำให้คนงง ทำให้คนเข้าใจไม่ได้แล้วทำให้คนเข้าใจไม่ได้ก็ไม่สามารถปฏิบัติได้ไม่สามารถปฏิบัติได้เพราะไปเข้าใจซะว่าต้องการเอาเนี่ยในมิติเดียวเอามามันก็เอากามหรือเอาพบอ่ามันเอาก็จะเอากามก็เอาพบสองอย่างทีนี้เขาก็ไม่เข้าใจพบเขาก็ไม่เข้าใจกามเาก็ไม่เข้าใจ ส่วนผู้ที่จะเรียนรู้เพื่อที่จะไม่เอาทั้งการไม่เอาทั้งพบเนี่ยหรือจริงๆก็ทำลายด้วยทำลายกามทำลายพบโดยทำลายที่เหตุมันดับเหตุแล้วกามหมดพบหมดมันผุนนี้เนี่ยมีความต้องการต้องการดับเหตุต้องการดับพบต้องการดับกาม คำว่าต้องการนี่แหละมันสับสนหรือว่าพาซื่อคนที่พาซื่อว่าทํา ม, มีความต้องการแล้วก็คือกิเลสทั้งนั้นเขาก็เลยทำใจเฉยเฉยให้ใจว่างๆนะเพราะพวกนี้ก็ไปหัดทำทางนั้นะ่ะนั่งหลับตาสมาธิกอดีใช้ตักกะทุกอย่างว่าโอ้มันต่างมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป อย่าไปกึ้งมันเลยปลอยวางทําใจว่างๆหัดทําใจวางหัดทําใจว่างหัดทำใจไม่ให้เกิดอาการนะหัดทําใจไม่ให้เกิดอาการกามหัดทำใจไม่ให้เกิดอากา ร, กา ไ, กอาการไอพบเนี่ยเขาเข้าใจยากเขาก็เออไม่ให้มันมีกรามเนี่ยไม่ให้มันมีพบอะไรเขาก็หวาดไปซึ่งพบเนี่ยมันเข้าใจยากกว่ากรามพบคือการที่ไปอาศัยอย่างนั้นต่อเนื่อง อาศัยอย่างนั้นต่อเนื่องพบแต่เขาก็ไม่รู้เขาก็ทําจิตว่าเอาสมมุติว่าเขาจะไม่ให้อาการกรามเขาบอกว่าทําทิ้งๆมันลืมๆมาอยากเขาก็ไม่รู้ว่าเขาทิ้งอาการที่เขาไม่ติดไม่ยึดไม่ไม่ไปวุ่นวายกับอาการที่มันเป็นกรามนั่นเขาก็วางไปลืมๆกรามไปอย่าไปสนใจทำใจไม่ไปปรุงไปแต่งเป็นอาการนั้นให้จิตมันว่างาก็คือเขาทาพบก็าําพบ ทำพบของเข้าไปตามประสาบางคนก็สะกดให้มันนิ่งๆใช้แรงแรงโง่ใจดำดำหมึดหมึดบางคนก็ใช้ไปทํำลืมๆทิ้งๆไปมันก็ยังไม่เข้าใจพบอยู่นั่นแหละเพราะฉนั้นถ้าไปพาซื่อคําว่าพบพาซื่อคําว่ากามมันก็ไปไม่รู้จักเหตุให้เกิดการไม่รู้จักเหตุให้เกิดพบ นี่แหละความลึกซึ้งของศาสนาพุทธอ่านอาการที่มันก่อเกิดกามอย่างไรกามมีความหมายแค่ไหนการ ม, มีความหมายทางตาหูจมูกลิ้นกายกระทบกระทบข้างนอกเมื่อกระทบแล้วก็จะเอาหรือว่าจะทำลายทำรายตอนนี้เราไม่เรียกทำลายเราเรียกทายนะ จะเอาหรือว่าทำร้ายสองอย่างเนี่ยเรียกว่าการหรือพยาบาทหรือโทสัเ <S <S 1> <S 1> <ๆ>พๆๆเนี่ยเพราะงั้นเมื่อไม่รู้อาการสิ่งเหล่านี้แล้วเราก็ไม่รู้ว่าวิธีที่จะดับอาการเหล่านี้นั้นจะต้องไปรู้เหตุที่ใจเราจริงๆว่าอ๋ออาการกามมันเป็นอย่างนี้อยู่ในจิตเหตุมันอยู่ในจิต แล้วคำว่ากามเนี่ยข้างนอกมันมีเหตุปัจจัยตาหูจมูกลิ้นกายกระทบข้างนอกกระทบแล้วมันก็เกิดอาการตามที่กระทบมันจึงอยากถ้าไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายกระทบนะคนที่เขาไม่ได้ปฏิบัติตามลำดับเขาก็จะไปนั่งหลับตาปฏิบัต อาการของกามมันเกิดขึ้นเป็นสัญญากามมันสัญญากามมันเกิดขึ้นในใจมันไม่ใช่เป็นวิญญาณไม่ใช่เป็นปัจจุบันธรรมที่เกิดอาการของวิญญาณผีนะวิญญาณสัตว์นรกที่มันอยากตอนนั้นมันไม่ใช่เขาไปเอาความจําสัญญาจำนะมันจะจําของเก่าฟุ้งอาการเก่าเคยอาการกามรือ ปั้นของใหม่ฟุ้งไปอยากไปนูน้นอยากอ น, นุอนอยากอันนี้ไปปั้นเป็นใหม่ไปเรื่อยหรือเอาของเก่ามาคิดไปเรื่อยนะเขาก็ไม่รู้เขางมอยู่ในภพทั้งนั้นเลยคนที่นั่งเอาแต่ในภพในจิตนะอยู่ในภพทั้งนั้นเลยเขาไม่รู้เหตุ ว่ามันมีเหตุนะกามโดยเฉพาะตาหูจมูกลิ้นการกระทบกระทบอะไรก็แล้วแต่กระทบลาบกระทบยศกระทบสรรเสริญหรือกระทบรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสใดๆก็แล้วแต่มันกระทบข้างนอกจึงเกิดวิญญาณแล้ววิญญาณ น, นั่นแหละเป็นวิญญาณผีเป็นผีกามผีขโมวดผีโทโ ท, โทสะแท้เพราะฉะนั้นเราสัมผัสจริงแล้วมันก็เกิดอาการจริงในจิตและอก อันนี้แหละตัวเป็นเหตุจริงๆคือนามมาทาที่เกิดจากเหตุปัจจัยที่กระทบสัมผัสอยู่จริงมันจึงครบกระบวนการของเหตุปัจจัยหมดแล้วเราก็รู้อาการที่มันเกิดในปัจจุบันนั้นว่าจิตของเราเกิดจริงๆตอนนั้นเลยว่ามันอยากจะบอกว่าตัวเหตุหรือตัวแท้เลยที่เป็นต้นรากของความปรุงแต่งมันจริงมาเป็นผีก็รทำปรุงแต่งเป็นผีอยากได้หรือว่า พอได้เสพแล้วปรุงแต่งเป็นเทวดาเสพสมก็ตามมาจากตัวจริงที่เราจะอ่านปัจจุบันนั้นจริงๆเราบอกโอ้อาการอย่างนี้เองเป็นอาการกามตัญหาพอดับกามตัญหาพบก็หายไปด้วยกามพบก็หายไปด้วยเห็นไหมว่ากามกับพบนี่มันหายไปด้วยกัน ซึ่งมันไม่เหมือนกันกับพวกที่ไม่ได้ดับกามแล้วไปสร้างพบฟังวนไปวนมาหลายเที่ยวชัดขึ้นไหมพวกที่นั่งสมาธิหลับตาเนี่ยไม่รู้จักกามตามหัวจมูกดิ้นกายกระทบสะบัดเขาไม่รู้แล้วเขาก็ไปนั่งสร้างพบซ้อนอย่างที่อาตมาพันธบัตรไปแล้วคุณกิมไม่สร้างเอาสัญญากเก่ามาก็สร้างกําหนดใหม่ขึ้นมาซ้อนเป็นพบพบซ้อนพบซ้อนพบ การไม่ได้ดับเหตุตนเองกลับไปสร้างพพเพิ่มนี่คือความหลงผิดที่น่าสงสารพวกไปนั่งหลับตาสมาธิงมงายเนี่ยอัตมาพูดแล้วเหมือนลงโทษเหมือนไปว่าเขาเหมือนหาเรื่องคุณฟังเข้าใจไหมเห็นว่ามันเป็นจริงได้ไหมที่พระอัตมาพูดเนี่ยเห็นไหมเห็นว่าเป็นจริงไหมโดยตะ ก, กะก็ตาม ยิ่งคุณมีสภาว่าจริงๆแล้วพูดไปแล้วนี่คุณจะโอ้จริงๆด้วยมีสภาว่าทินา ม, มาทำรองรับจะเห็นจริงเลยเพระอัตามาขยายละเอียดขึ้นไปจะเห็นได้เลยว่าโอ้โหไอ้ความเอาวิชาหรือความไม่รู้แล้วก็ปฏิบัติผิดนี่มันกลับเป็นเรื่องเลวร้ายซ้ำเติมกามไม่ได้ดับไม่ได้รู้จักเหตุดันไปสร้างพบเพิ่มพบขึ้นไปอีกเพราะวิธีปฏิบัติที่ผิด ส่วนของจริงนั้นพอดับกามหรือเหตุของกามแท้พบดับด้วยเลยไปเด็กกันเพราะนั้นดับการเมื่อดับเหตุของกามถูกการ ม, มาพบก็หมดความเป็นชาติของการมาชาติก็ไม่เกิดพบมันก็ไม่มีทางเกิดไม่เกิดเลยเพราะดับไปพร้อมกันกามดับพบดับจริงๆดับเด็ดกามเหตุเกิดกาม ดับตัวนั้นทำลายตัวนั้นจบพบมันก็ไม่ต้องไปดับพบกามมาพบก็ดับแล้วและเป็นตัวต้นกามมาพบตาหูจมูกลิ้นกายดับแล้วเสร็จเหลือรูปประพบว ร, รูปประพบก็เป็นความเบาความอ่อนความละเอียดไปเพิ่มขึ้นอีกเท่านั้นเองอยู่ในใจเราตาหูจมูกดิ้นกายกระทบข้างนอกอยู่ รูปปาคะยังเกิดเป็นรูปประพบยังเกิดมันก็เบานะเป็นของจริงพอเรารู้แล้วว่าเอ อ, เ, อ, อเหตุปัจจัยที่มันเกิดแล้วอาการมันเกิดจริงอ่านในพบอ่านในใจอ่านใจมันเกิดเมื่อนั้นเมื่อนี้ชัดเขาก็ทําลายมันอีกกําจัดมันอีกตามลําดับไปจับเป็นรูปประพบเหลืออรูปประพบหมดรูปประพบรูปประพบมันก็ไปอย่าง ของจริงเลือยๆดับพบดับพบดับพบกามาพบไปรูปประพบก็คือดับขั้นหยาบเป็นรูปแล้วก็ขั้นอารูปขั้นกลามขั้นรูปขั้นอรูปล้วก็เป็นขั้นๆไปตามญญติภาษาสภาวะถ้าคนมีสภาวะก็ไม่งงเป็นขั้นๆตอนขั้นหยาบขั้นกลางขั้นปลายขั้นหยาบท่านเรียกว่า มนโนมย์ว่ไม่ใช่อรูประอัตตาขั้นกลางทะเลมนโนมยะอัตตาขั้นปลายมันเรียกว่าอรูประอัตตาสาสภาพนี่แหละซับซ้อนโอราติกะอัตตาขั้นหยาบหมดไปแล้วโอราติกะถ้าเราทําได้ดับหมดไปแล้วที่จริงเวลาดับ เราก็เรียนรู้อัตตาข้างในคำว่ามาโนโมยะแปลว่าเป็นอัตตานะมาโนโมยะอัตตาคืออัตตาที่สำเร็จด้วยจิตเพราะฉะนั้นกามที่เป็นอัตตาจะจะงงไว้เนี่ยกามที่เป็นตัวตนของกามสภาวะของกาม สภาวะของจิตที่มันเป็นอาการกามในจิตมันก็เป็นตัวตนของกามนะเพราะฉะนั้นอาการนั้นแหละเราเรียกว่าจิตของเราสำเร็จมันเป็นอัตตากามมันเป็นอัตตากามมันเป็นตัวตนขึ้นมามันเป็นสภาวะขึ้นมามันซ้อนเห็นไหมมันก็คือมมโนมยอัตตามันเกิดสัมผัสเดี๋ยวนี้ มันก็เป็นตัวเป็นตนเดียวนี้ที่คุณยังโง่ยังล้างมันไม่ได้มันก็สำเร็จในจิตของคุณเป็นทันทีมโนโมยอัตตาทันทีเหตุมันมาจากของหยาบมันอราริกะนันเป็นอัตตาที่เป็นของหยาบและมันก็สำเร็จอันนี้จนกระทั่งเหตุปัจจัยหยาบนั้นทางนอกที่สัมผัสหยาบนั้นคุณล้างตัวกิเลสตัวนี้แหละตัวกามหรือตัวอัตตาที่ อ, อธรรมที่บาเสร็จแล้วว่า กามันก็คืออัตตาคือตัวตนของกามันแหละคุณล้างมันได้แล้วโอราริกะอัตตามันก็เหลือสิ่งที่ยังเหลือตาหูจมูกริ้งกายคุณกร ะ, ะทบสิ่งที่มันเคยล้างแล้วเป็นเหตุข้างนอกเช่นกระทบรูปกระทบกลิน่นกระทบเสียงกระทบเงินทอง นินจินดาเครื่องสมุติอะไรก็แล้วแต่ชอบอะไรยึดอะไรติดอะไรก็อนั้นนะพอล้างมันได้แล้วกระทบข้างนอกหยาบเนี่ยล้างมันได้แล้วคุณก็กระทบมันอยู่แต่คุณมีโลกุตรจิตเหนือมันคุณก็ยัง สัพพัดมันอยู่แต่จิตของคุณไม่มีอาการเพราะดับมันแล้วกิเลสการมกิเลสโอราดิกะดับไปแล้วถ้าจะเหลือพลิ้วพลายเป็นรูปราคะคุณก็รู้ของตนมันไม่มีแรงมีที่จะมาทําข้างนอกหรอกมันมีฤิมันโอตตะปะมันเป็นเทวดามันเป็นเทวดาอุปติเทพแล้วมันยังไม่เป็นมิสุธิเทพเพราะมันยังเหลือรูปราคะเป็นต้นรูปราคะเป็นต้นสัพพัดตัวเนี้ย แต่ข้างนอกมันไม่เป็นแล้วอ่ะมันก็เป็นมโนโมยอัตตาแท้ๆเป็นอัตตาที่มันไม่ใช่หยาบเรื่องกามแล้วแต่มันก็เป็นตัวที่เหลือสําเร็จด้วยจิตยังสําเร็จเป็นสภาพอยู่พ้นยังเป็นตัวตนคนมันอยู่จนกระทั่งคุณล้างมันได้อีกมโนมยอัตตาตัวรูปราคะเป็นต้น ได้อีกก็เหลือเบาบางเรียกว่าอะรูปรปลิ้วปลิ้วายบางทีก็ไม่ไม่เห็นมีอะไรจับรูปไม่ติดแต่มันก็มีปฏิกิริยาในจิตเรามันมีปฏิกิริยาออกมาถึงรูปข้างนอกนะกระตุกข้างนอกอาการข้างนอกแต่ไม่ได้ออกมาตันอกตัวนอก ต, น, อกตอนนะอยู่ในเนื้อ ตัวข้างในของเราเนี่ยจะว่านอกมันก็แมสับไปสับมาธรรมาพูดไปก็วนนะมันรู้ของเรานะี่มันจะเป็นซานเป็นแพลซ้านหรือเป็นอาการที่พลิ้วพลายเป็นอาการยังไงแล้วแต่อารูปนะอรูปอย่างนี้นี่แหละที่เหลือเราไม่เรียกว่ามโนออยะอัตตาแต่ที่จริงมันก็ยังเหลืออยู่สำเร็จเป็นอารูปอยู่มันยังเป็นตัวตนอยู่ เมื่อคุณดับเสร็จแล้วสมมุติว่าดับอรูปไปเสร็จแล้วคุณยังมีตาหูจมูกลิ้นกายคุณยังมีประสาทคุณยังมีธาตุรู้คุณจะมีวิญญาณเต็มอยู่ใช่ไหมอรูปอัตตาคุณก็เห็นเต็มพอดับรูบุลาฆะมโนมยอัตตาดับคุณก็เห็นเต็มเหลืออรูปะอัตตาคุณดับหมดคุณก็เห็นเต็มอัตตาที่เหลือ ก็คือความเห็นเต็มนั่นแหละคืออัตตาที่สำเร็จด้วยจิตของคุณย้อนกลับมาเป็นอัตตาที่เรียกว่ามาโนโมยอาตาัตตาตัวที่สำเร็จด้วยจิตจริงๆเลยแต่มันไม่มีเป็นอาการของตัวกูของกูแล้วมันกลับมาเป็นมโนโมยอัตตาเป็นอัตตาที่ไม่ลึกลับอรหัตตา ไม่ลึกลับแล้วรู้แจ้งแล้วก็ยังไม่ปรินิพานเป็นปริโยสารก็อาศัยอัตตาแล้วอาศัยอัตตาอย่างที่สำเร็จด้วยตนเองเลยทีนี้เป็นอมตะบุคคลพอเข้าใจใช่ไหมไม่งงนะเออ เพราตัวคำว่ามาโนยะนี่มโนมยังอันสําเร็จด้วยจิตมันสําเร็จแล้วเนี่ยมันเป็นความสําเร็จสูงสุดเลยสําเร็จด้วยจิตจะเป็นอัตาก็เรายอมให้มันเป็นเราอานุโลมมันเป็นแล้วคนที่จะสัจจาโนโล ม, มิเกยานจะให้อัตานี้เราจะอาศัยอัตานี้เช่นเออเราจะร่วมกับรูปร่วมกับรถอย่างอัตมาเนี่ยโอโหเพลงนี้อย่างนี้มัน มันต้องไพเราะมันต้องอย่างนี้นะเอออันนี้เนี่ยอันนี้มันยังวิวิดีสวยอย่างเงี้ยใช้ได้อย่างงี้ใช้ได้ต้องสวยอย่างเงี้ยอัตมาก็ต้องปรุงอันนี้ขึ้นมาแล้วก็ต้องเอาสมมุติของโลกมาว่าอย่างเงี้อย่างเงี้ยเพลงเงี้เสียงเงี้อย่างเงี้ยมันเพราะอย่างงี้มันเออมันเป็นลีลาที่สมมุติของโลกเขาเข้าใจเขาเห็นด้วยกันอย่างงี้ก็ต้องไปได้แล้วก็ ปรุงก็แต่งขึ้นไปก็ทําอย่างอาตมาต้องแต่งเพลงอาตมาต้องดูนั้นสวยนี่งามอะไรไปต่างๆนาน า, นาก็อาศัยมโนมิยะตาที่ไม่ได้ลึ ก, กลับเราจะอนุโลมได้แค่ไหนเราเห็นควรแค่ไหนมันจึงกลับไปกลับมาเหมือนคนต่อแหลเหมือนคนตลบตลบและแลงกลับกลอกแต่จริงๆแล้วเราทําสิ่งเหล่านี้ด้วยหนึ่งฐานของ สังขารุปเปขายานาหนึ่งฐานของสังขารุปเปขายานสองฐานของสัจจานุล ม, มิเกยานโดยการปฏิบัติปฏิสังขายานนี่คือวิปัสนาญาณอีกสหลังจาก6ญาณอุทธรรมไม่ใช่ อ, อะไรไม่ใช่ไม่ อันต้อนอุทพยานุปัสสนาานอุทพยานุปัสสนาญานยานที่เห็นชัดๆก็จะค่อยๆเข้าใจขึ้นแล้วว่ามันเป็นความดับเป็นไปมันไปหาความเสือ่อมอะไรๆมันก็หมดไปหมดไปมันจะเห็นขึ้นมาก่อนพอมาถึงพังคานุปัสสนาญามันจะเห็นมันจะเห็นชัดขึ้นลึกขึ้นโอ้ มันมีแต่ความสลายไปนะ่ะเป็นสังขารระดัที่สลายไปจริงๆมันไม่ได้มีอะไรเที่ยงแท้ถาวรอํานาจของความเห็นความไม่เที่ยงมันจะสูงขึ้นไปอีกมันจะเห็นแต่ความสลายไปไปหาอนัตตามันใช่ตัวมันศูนย์ไปเรื่อยน้ําหนักของที่ความไม่เที่ยงไม่เกาะคุมอยู่นานไม่เป็นตัวตนแท่งแทะมันจะลึกขึ้นละเอียดขึ้นเอียดเห็นจริงเห็นจังเพิ่มขึ้นพังคานุปสาาัญญาณ พอเห็นอย่างนี้แล้วก็รู้ตัวว่าอียาเรานี่โง่เง่าเอาวิชามันนานไปยึดติดไอ้สิ่งที่มันยึดเอาไม่ได้มันไม่มีตัวตนมันไม่ได้เทียงแท้ถาวรอยู่อย่างนี้เลยแล้วเราก็อยากจะยึดมันอยู่ให้มันถาวรเนี่ยมันเป็นอยู่จริงให้มันเป็นจริงทั้งๆที่มันเป็นเทศก็หลงมันเป็นดาววดึงก็หลงมันเป็นจะให้มันเป็นยามาอ่าจะให้มันเป็นดาววดึงให้มันเป็นสวรรค์แท้ให้มันเป็นของจริง เป็นเทวดาองค์ที่ส3แล้วจะให้มันอยู่นานยามาจะให้มันอยู่นานจะให้มันอยู่กรเราไม่ให้มันหายไปไหนแต่ก่อนนี่โง่อย่างนั้นใครเดี๋ยวถามอย่างงี้ใครไม่เคยโง่อย่างนั้นไม่ยกมือกันนะอ่ ะ, อะ ใครไม่เคยโง่อย่างที่ว่าเนี่ยที่มันจะต้องเป็นดาวดึงยจะต้องเป็นยามาเนี่ยมันจะต้องเสพสูงอย่างนั้นแหละอย่างที่ต้องการเนี่ยแนะ่ทั้งที่มันไม่เจ้งมันปั้นขึ้นมาเป็นอาการที่ส3สิบก็จะต้องให้มันอยู่นานตามการเวลายามาใครไม่เคยเป็นอย่างนี้ยกมือขึ้นไม่มีสักคนหนึ่ง เคยเป็นมาทุกคนไม่ละเวนโใครทั้งนั้นแหลพระพุทธเจ้าก็ผ่านมาอย่างนี้ทั้งนั้นมันโง่มาอย่างนี้ทั้งนั้นเลยเทวดาเกณฑ์พอเราทำออกพอเราดับสิ้นหมดแล้วมันจึงรู้ว่าโอ้โหเทวดาเท็จจริงๆไม่จริงเลยเราจะรู้ว่ ม, มันเทวดาเท็จเพรา ะ, ะนนคนจริงจังเขาจริงจริงๆเลยนะแล้วเ็าก็จะต้องโอ้โห มันจะต้องห้ยามาหรือมันจะต้องให้ถาวานิรันดอนให้อยู่นิรันดอนแม่ไม่ออกมาใช้ตอนนี้ก็เอาไว้เก็บไว้ใส่ผนึกไวในอนุัสไวให้นะอย่าไปไหนนะจ๊ะเก็บความรู้สึกดีๆนี่ไวแม <c oughs> ใครเคยใช้สำนวนนี้บังเนาะพูด <c oughs> แล้วอัตมาก็ไม่เคยฮะ ไม่เคยได้ยินด้วเก็บความรู้สึกดีๆนี้ไว้ไม่เคยได้ยินยอ่ะนะอ้าวเขเคยจังเยอะทำไมคุณงมงายจังไม่รู้โลกเขาเลย <c oughs> เป็นอย่างนี้หมดเลยนะเก็บความรู้สึกดีๆเอาไว้ <c oughs> น่นนะมันก็หลอกกันไปนะเพราะนั้นเมื่อมันพอเราเห็นอย่างนี้แล้วมันเป็นภัย พยาตุปทานายานสาอันนี้ท่วนเลยทีได้พอเวลามันโอ้โหเรานี่โง่โง่โงพรามันก็เห็นเป็นโทษที่เราไปโง่ไปยึดมันเข้าไปได้พยพยาตุปทานายานรู้ว่าเป็นโอ้สิ่งที่น่ากลัวมันจะเห็นว่าตัวเรานี่โง่หลงหลงมันโอ้โหน่ากลัวในพวกนี้เนี่ยเราไม่ได้รู้ได้ไง่ายๆเลยนั่นนี่น่ากลัวเพราะฉะนั้นคนต่างๆที่เห็นรู้คนอื่นเขาเพราะเขาเราเป็นมาแล้ว โอ้โห oh, แล้วคนอื่นเขาก็ไม่รู้นะคนอื่นเขาก็ไม่รู้ตัวแล้วเขายังวิ่งเข้าหาวิ่งใส่ว่าทำอย่างหน้าระดื่นเลยนะก็ททำต่อหน้าต่อตาเห็นไหมเต็มไม่หมดตำต่อหน้าต่อตา อ, ต อ, ต อ, อยูอ่ยเฉยแล้วตายตายตาย ต, ายตายมันเป็นภัยหน้ากลัวจริงๆเลยมันหลอกกันเต็มโลกเลยอะ่ะใช่ไหโอ้ทั้งโลกเลยหลอกกันอยู่นั่นน่ะแล้วมันก็หน้าระดื่นเฉยโอ้ชื่นโชื่นใจล้ม ติดลงยิดลมไม่ได้เห็นเป็นภยัยเป็นโทษไม่เห็นหน้ากลัวหน้าเกรงไม่เห็นมีแต่หน้าอยากได้อยากมีอยา ก, ยากเป็นอยู่นะเราเราคนห ล, ลงมาอยู่เป็นสิ่งที่กว่าจะได้รู้ตัวอย่างนี้มันลึกซึ้งมันจะเข้าใจโอ้โหเราได้รู้วันนี้ไม่ใช่เรื่องก็อาทีนวานุปสนาญาเห็นโทษมันจะทันทีพอเห็นโทษน้ำหนักของการเห็นโทษมากขึ้นนิพพิทายานญานที่มันแหม มันน่าเบื่อมันน่าทรมานโอ้ทรมานมาตั้งนานแล้วเนี่ยมันก็ถึงบุญจิตุกรรมยตายานยานที่ไม่เอาแล้วเบื่อแล้วมันก็ปล่อยนี่เป็นปัญญาปล่อยไม่ได้กดข่มเห็นไหมมันไม่ได้กดข่มมันไม่ได้ไปทาลืมๆ ม, มันไม่เป็นอย่างที่เขาปฏิบัติกันหลายแนวอ่ะหลายอย่าง่ะเป็นสมถะ นี่มันคือความเห็นแจ้งเห็นจริงแนละพลังของปัญญาจะเรียกว่าฌานก็ได้จะเรียกว่าไฟไฟปัญญาจะเรียกอะไรไฟก็คือฌานานาาี่แหละเพราะฌานภาษาบาลีแปลว่าไฟกองอหญ่ไฟพิเศษมันก็ละลายมันเป็นพลังของปัญญาเป็นอุณาธาตุเป็นพลังงานไฟมันละลายราคะมันละลายกามหรือแม่โทสะก็เหมือนกันมันก็ละลายไฟราคะไฟโทสะ พลังโทสะพลังลาคะพลังของฌานหรือพลังของไฟพลังของปัญญาวิปัสนาญาณเนี่ยมันเกิดทาลายนี้ไปได้เลยด้วยความรู้รู้ไม่ใช่เป็นกดข่มเลยพลังงานมันเหนือชั้นกันพลังงานมันเหนือชั้นกันมันละลายไปเลยนี่ก็คือการจบการดับจากนั้นปฏิสังขานุปัสสนญาณก็คือทําเข้าไป ทบทวนไปทําเข้าไปอีกเข้าไปอีกเข้าไปอีกอย่างที่เราทําได้อาเสวนาภาวน า, พ, า, วนาพระริกรักรกรกรเงเข้าไปเรื่อยจึงสั่งสมความเป็นปริสุทธาปริโยธาตามุทุกกรรมัญญาปภัสราในขณะที่เราอยู่กับสังขารทั้งปวงเหตุปัจจัยนี้ไม่แล้วไม่ด้หนีมันเลยเหตุปัจจัยต่างๆนี้ก็ปรุงแต่งกันอยู่ในแต่ว่าเรามีพลังจิตที่เป็นโลกลุตระจิตอยู่เหนือมันตามฐานะ แล้วเราทําอีกมันก็ดีขึ้นปฏิสังขานุปัสนาปฏิสังขาก็ไปเรื่อยๆทําทวนก็ไปเรื่อยๆเ ร, ๆเราก็อุเบกขาที่บริสุทธาประโยชธาตามุทุกรรมัญญาประพัดสดาก็สูงขึ้นเรื่อยสูงขึ้นเรื่อยสูงขึ้นเรื่อยๆเจริญขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆอุเบกขาก็มีคุณสมบัติองค์ห้าน ะ, จะเจริญขึ้นอีกก็เก่งทนทานต่อสังขารเป็นอเนนชาพิสังขารเป็นอภิสังขารที่ ยิ่งไม่วันไว้ไม่วันไว้ไม่วันไว้กระทบโลกก็ทํากระทบก็ทําที่หยาบขึ้นหยาบขึ้นอะไรก็พุทธศาสโลกาธรรมหิจิตตังยสนาะก ร, รมปติไม่วันไว้ไม่วันไว้ไม่วันไว้เพิ่มขึ้นเรืเ่อยๆตามอภิสังขารที่เราปฏิสังขาที่เราทําอีกทําซ้ําทําทวนทํารักษาผลไปเรื่อยๆทําอีกทําซ้ํา พอทำได้เราก็อยู่กับโลกเขาเราช่วยโลกเขาแล้วก็อนุโลมไปตามฐานะเพราะฉะนั้นธรรมะของพระเจ้าทฤษฎีของท่านเนี่จึงมีประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ตนประโยชน์ท่า น, นตามจริงที่เรามีพลังงานความรู้สมรรถนะช่วยคนไปได้ตามฐานะสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นสัจจานุโลมมิกยายนจึงอนุโลมช่วยเขาได้ เจริญขึ้นเจริญขึญ้นมากขึ้นมากขึ้นเป็นพระหุจนะหิตายะพระหุชรสุขายะโลกาโุกรรมปายะจริงๆเติมขึ้นเติมขึ้นเติมขึ้นด้วยความจริงไม่ใช er ่เรื่องมุกไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันไม่ใช่เรื่องเหตุปัจจัยของตักกะเหตุผลของตักกะไม่ใช่เห็นไหมไม่ใช่เลยมันเป็นเรื่องที่มันเกิดเจริญจริงๆเลย เป็นมโนเบโนเศรษฐามโนมยามโนเสรษฐาประวัติเจริญขึ้นประเสริฐขึ้นเรืยๆเรื่อยมโนเสรษฐาเป็นมโนมยาอันสําเร็จได้จิตอันสําเร็จได้จิตอันสำเร็จได้จิตอันสําเร็จได้จิตเป็นผลสําเร็จความเจริญขึ้นไปตามลำดับเป็นคุณสมบัติอันพิเศษเจริญขึ้นเจริญขึ้นเพราอมโนมยาหรือมโนมยามโนมยะอัตตาเนี่ยเนี่ยมโนมยะพยัญชนะตัวเดียวกันนี่แหละ จิตตัวนี้จึงเป็นตัวที่สุดท้ายแล้วในอัตตาสามจบแล้วเรามาอยู่ที่มโนมยอัตตาเลยเวลาไปหลายนาทีแล้วมันหยุดไม่ได้มันเห็นว่ามันจะต่อให้มันถึงจุดเถอะก่อนเมื่อกี้นี้เขาทางโดนเขามาสนะิบเก้าน ทำไมตรงเวลาที่ไหนแล้วมันเราเลยมาเวลาแต่ตรงให้เราหรือว่าเตือนเราว่าเราไม่หยุด <c oughs> เตือนเราว่าเราไม่หยุดเขาก็เลยดับให้ซะเลยนะเอาถึงที่สุดแล้วไล่ประโยกทั้งอะไระอะไรต่างๆนานาร้อยมาลายไปจนไกลแล้วนะนี่คือการปฏิบัติทมเรียนรู้จากกิเลสการกิเลสอะไรกันแล้วแต่ มันก็เป็นเช่นนี้แหละนะอ้าวทีนี้ถึงเวลา19นาฬิกา36 00. นาทีแล้วอา้าวใครจะเจ ร, รจาตอนนี้เจ ร, รจาอา้าวใครจะเป็นแจกอา้อาวอ้าวอาสเาิเกาลัดเขาเป็นคนชอบเป็นคนแจกบากโลเอาบากโลไปแจก มะ <laughs> กะโหลเนี่ยพอถือมาปักกะอโลอโลน <laughs> <ก>โล <laughs> ะมะกะโหลพอถือมาได้ก็ใส่ปากอโลอโลอโล อ, โล <laughs> อ้าวใครยกมืออ้าวโอ้โหในเบนเอาควาดเพื่อนเอาว่ า, าเลยน้องปูครับ ผมอ่านในเนี่ยครับงงอยู่อย่างดึงครับเพาะว่าเพราว่าทั้งเรียนงงอย่างเดียวโลกเก่ากับโลกใหม่นี่มันคืออะไรเหรอครับโลกเก่ากับโลกใหม่เออเอาโลกเก่ากับโลกใหม่โลกเก่าก็โลกก่อนเข้าใจคาว่าโลกให้ได้ก่อนโลกคือความวนวน มันหมุนอยู่อย่างเดิมเนี่ยมันก็หมุนอย่างเงี้ยเด็กก็วิ่งไปโน้มวิ่งมานี่หมุนไปอยู่นั้นหมุนไปนีอ้อย่างพระอาทิตย์ขึ้นประเดี๋ยวพระอาทิตย์ก็ตกบนพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ก็ตกกวนหรือโลกลูกนี้เนี่ยมันหมุนที่เราเห็นพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกหรือไม่ไปใช่พระอาทิตย์มันตกไม่ใช่พระอาทิตย์มันขึ้นนะแต่โลกเรามันหมุนใช่ไหมเราอยู่ตรงนี้มุมนี้ของโลก โลกมันก็พาเราหมุนไปพระอาทิตย์อยู่ตรงนี้เอา้าอยู่ตรงนี้แล้วหมุนหนีจากพระอาทิตย์ไปไปถึง บ, บังก็ไม่เห็นพระอาทิตย์ละหมุนว่าใหม่มันก็เห็นพระอาทิตย์ใหม่หมุนวนโลกคือความหมุนนั่นเป็นเรื่องของวัตถุทีนี้ใจของเราเนี่ยเราก็หมุนเราชอบขนมไปยึดถือแต่ว่าอุปทานแม่เราชอบขนมมันนี่จังเลย ชอบทอฟฟี่นะทอฟฟี่แบบนี้โอ้โหทอฟฟีร่รสนี้กลิ่นนี้ชอบอย่างเงี้ยเราไปติดมันนะพอเราได้ทอฟฟี่รถนี้มากินเราก็เป็นสุขอร่อยแมมขึ้นสวรรค์หอ่อหอเสร็จแล้วก็อิ่มก็เบือ่อก็หยุดหยุดไปแล้วตอนหลังมาก็นึกอยากอีกนวนมาอีกละ เห็นอีกหรือเจออีกเอาอีกวนอีกก็ได้สุขอีกแล้วก็หยุดไปอีกวนอยู่นะติดไม่รู้หยุดเสพไม่รู้หยุดในเรื่องขอวนโลกนี่คือโลกเก่าวของกิเลสของคนมีกิเลสวนอยู่เงียงเง้ยตลอดนานับกับการเด็กก็อยู่ในพบประมาณหนึ่งชอบไอ้ของพวกนี้พอโตอขึ้นก็มาอย่างนี้ เป็นหนุ่มเป็นสาวก็อย่างนี้ไปติดของแบบแบบหนุ่มสาวพอโตขึ้นไปอีกเป็นผู้ใหญ่ก็ไปติดแบบของผู้ใหญ่คนแก่ก็ไปติดอย่งของคนแก่อีกแต่ไม่ได้ฆ่ากิเลสไม่ได้ล้างกิเลสเลยตั้งแต่ติดทบอฟฟี่ตั้งแต่ติดขนมเล็กจากเด็กๆแบบเด็กแบบติด ต, ตุ๊กตาพอโตมาหน่อยก็เอาแล้วตุ๊กตาไม่เล่นกน็ไปเล่นอันอย่างอื่นได้ไป ทั้งตั้งที่ข้ามไปผ่านไปเนี่ยทุกอย่างพวกนี้เนี่ยยังติดยึดอยู่ในอนุสัยทั้งนั้นไม่ได้ล้างเหตไม่ได้ดับไม่ได้เรียนรู้เลยวนไปชาติหน้ามาเป็นเด็กใหม่ก็ยังของเก่าขึ้นมาใหม่วนอีกนี่คือความวนของกิเลสติดวนแล้ววนเล่าสวรรค์นรกวนอย่างเงี้ยนี่คือโรคเก่านี่คือโรคเก่าเป็นโล ก, กี เสพสุกเสพทุกข์ลงนรกขึ้นสวรรค์อยู่เงี้ยพออยากมันก็ทุกข์นรกพอได้เสพก็สวรรค์หลอกไปแล้ววนอยู่เงี้ยติดอยู่เงี้ไม่ล้างอนุสสยไม่ล้างอาสว ะ, ะทีนี้พระพุทธเจ้ามาสอนให้เรียนรู้กิเลสถ้ามันล้างกิเลสแล้วมันก็ไม่ตกลงไปอยู่ในอนุสสยคุยมันขึ้นมาตั้งแต่กิเลสเบื้องอันดาบบน ด่นดนบนล้างออกไปล้างออกไปไอท้ทำบนก็ขึ้นมาไอ้ล้างก็ขึ้นมาเรื่อยๆล้างขึ้นไปล้างขึ้นไปล้างกิเลสได้คนที่ทำให้หยุดวนพอกิเลสตายกิเลสตายแล้วมันก็ไม่พาเราวนอีกนั่นคือโลกใหม่หยุดวนโล ก, กุตระโลกใหม่ในโลกหยุดวนไม่ต้องอยากเสพแล้วไม่จะติด ท็อปฟรีไม่ต้องไปติดตุ๊กตาไม่ต้องไปติดของเล่นหรือไม่ติดโตขึ้นมาหน่อยก็ไปติดของสวยของงามของโกของเท่ของระดับรุ่นวัยรุ่นอยากได้ระดับหนุ่มอยากได้ระดับคนโตอยากได้ะระดับเป็นคนโตก็ต้องสะสมต้องได้อย่างนั้นอย่างนี้ไปก็เข้าใจแล้วแล้วก็ล้างกิเลสที่มันอยากได้นั้น จริงๆแล้วเราอยากได้แล้วก็สร้างแล้วก็ทำอย่างสุจริตมันก็ได้มาแต่เราไม่จาต้องหวงแหนเป็นเราเป็นของเราถ้าอยากได้มาก็เอามาใช้ประโยชน์ร่วมกันสร้างขึ้นมาแล้วก็แบ่งแจกกันเราจะอาศัยบ้างอันไหนที่ต้องเช่นเราจะต้องกินข้าวเราก็สร้างข้าวขึ้นมากินนะอย่างนี้เป็นต้นอันนั้นมันก็ลึกซึ้งขึ้นไปเรื่อยๆสรุปแล้วโลกเก่าก็าคือ โลกที่ยังบำเร็กิเลสอยู่ยังเก่าโลกใหม่ก็คือโลกที่ดับกิเลสแล้วไม่วนอีกเรียกว่าโลกใหม่นี่สรุปตันท้ายมีอีกอันหนึ่งครับอันเดียวค้าบุญคือบาปมาครับเอาเอาไปเล่มใหม่แล้วไปเอาเริ่มค้าบุญคือบาปแล้วก็ไม่เข้าใจครับเรื่องอนิสูตร เรื่องอะไรนะอานิสูตรนะครับอนิสูตรอ๋อเรื่องตะโพอนอนากะครับผมอมันหมายถึงอะไรเหรอครับอ๋ออ่ามันหมายถึงไอ้ท่านสมมตินี่สมมติพระพุทธเจ้าท่านสมมุติว่าของอย่างหนึ่งเรียกว่าตะโพนหรือกลองเนี่ย เขาใช้สำหรับตีเขามาใช้กองตีตีไปตีมามันก็ราวมันก็แตกมันก็ขาดมันก็อะไรเขาก็เอาของใหม่แตกตรงไหนเขาก็เอาไอของใหม่เอาไม้มันแตกตรงนี้ก็หาไม้ใหม่มาใส่เชือกมันขาดตรงนี้ก็หาเชือกใหม่มาใส่หนังมันขาดตรงนี้ก็หาหนังใหม่มาใส่ใส่ใส่ใส่ไปไอตะโพนอันนี้ของของใหม่เนี่ยแต่ ไอ้ของเก่าเดิมเนี่ยมันก็เป็นของใหม่มันมีไม้ใหม่มันมีเชือกใหม่มันมีนังใหม่มันมีองค์ประกอบของมันใหม่ใหม่ใมแทนเข้ามากรองนี้ฤตโตรนันนี้ต่อไปในอนาคตมันก็ไม่เหลือของเก่าเนื้อเก่าของไอ้ที่มันประกอบเป็นตัวกลองกรโอัลพลมันก็ไม่เหลือของเก่าแต่ชื่อกลองอนุกะอย่างเก่าเหมือนกันกับพุทธศาสนา ทัดเปลียมนมเหมือนอย่างพุทธศาสนามันมีเนื้อมีแก่นสารมีโลกุตตรธรรมมีการล้างกิเลสละกิเลสมีคําสอนพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่างนี้เนะี่ยเป็นทฤษฎีที่จะล้างกิเลสพอนานนานไปคนทําให้มันเพี้ยนทําให้มันเปลี่ยนทําให้มันม่มีเขาเอาอันอื่นมากรบเอาอันอื่นมาแทนเอาอันอื่นมากลบของท่านาของท่าน เอาคำสอนใหม่เอาความเห็นผิดใหม่มาแทนแทนแทนแทนแท น, แทนสุดท้ายาศาสนาพุทธก็ยังชื่อว่าพุทธเหมือนกลองอนาุกาตโิโพนก็ชื่อว่าอนุกาตอยู่อย่างเก่าแต่เนื้อแท้เนื้อของตะโพนมันมัมันหายหมดแล้วอื่นมาแทนหมดแล้วเหมือนกันกับศาสนาพุทธคําสอนก็ดีเนื้อหาของสัจจะก็ดีมันมันของเก่ามันหายหมดแล้ว มันเอาของใหม่ของผู้ใหม่ที่เอาไปแทนแทนแทนซึ่งเป็นของไม่จริงไม่ถูกต้องเหมือนของพระเจ้าเอามดแทนเหมือนกันกันกบกรองอนุกะชื่อกลองอนุกะอย่างเก่าศา ส, สนาพุทธก็ยังชื่อว่าพุทธอย่างเก่าแต่เนื้อแท้ของพุทธถูกเขาเปลี่ยนหมดแล้วเข้าใจไหมอ๋อเข้าใจแต่ว่า <laughs> <laughs> คือศาสนามันพุทธเหมือนเดิมครับแต่ว่าเนื้อหาเนื้มันเปลี่ยนแล้วคนก็ไปยึดตรงนั้นอาจจะชื่อพุทธเหมือนเดิมครับผมมันก็เลยผิดแค่นี้แหละครับกนรัตสการครับเอ้าวดีอ้าวใครอีกทีนี้อ้าวยกมือได้ไมโครโฟนแล้วด้วยเอาเลยกราบนวัตสการพ่อท่านครับกราบนวัตสการท่านสมณะ ท่านศิกษามารจระเล่นทำท่านยาติธรรมทุกท่านครับวันนี้ความรักสิมิติจำความได้ว่าพอเกิดมาเกิดมีความรัก <c oughs> ก็ก็มีเสียงเพลงตามมามีเพลงหนึ่งที่มีความรักแล้วก็ฟังจากวิทยุสมัยเป็นหนุ่มน้อยๆ น, นะครับทาได้ พอห้ำได้แล้วก็ฟังบ่อยๆก็พอจะจำได้วันนี้ก็จะนำมาร้องให้ฟังระดึกชาติโอ้โหแข่งกันเลยนะเนี่ยฮะโอ้โหจะแข่งกันได้ไงเนี่ยสองคนเนี่ยก็จะขอกล่อมพวกเราเล่นเอยจากการทาสวนครับฟังเทศไปก็หลับไปนฟังเพลงแล้วจะหลับต่อหรือเปล่าหรือจะตื่นไม่รู้ เห็นฝ่ายหญิงนำมาก่อนหลายทีแล้วนี่ทนไม่ได้ฝ่ายชาย <c oughs> เอาเลยขอรักเ้าชัวฟ้ฝ่าดินสลายยังยืนคล้ายดังเมฆลอยฟ้องอยู่คลองคู่ฟ้าคลองมันประทับกุรา ครอง uh huh. ดังจันทราครองฟ้าราตรีขอรักเขาเช่นผู้เป็นทาสแท้สื่อตรงแม้จะถูกนายหวดบอยไม่หลีกลียอมมอบใจและร่างพรีนายไม่ปราณี แม่ชีบจะทนก็ทนเอาปวดในดวงใจเพราะบาปทราบใจข้าไวเคียงเจ้าข้ารู้ว่าตนเพลอใจไปเปล่า สื่อตรงพักดีคอยเฝ้าก็เศร้าระกำช้ำใจแม่รู้เข้าไม่รักเราอีกแล้วซึ่งไม่แกล้งคองเศร้าก็จากชูรักเธอไว้คุณค่าความรักจากใจเลอเลิอดเพียงใด เสียดายอุสาคลองมานานครับตื่นเ <monks in> <genres> ต้นไปไหนครับขอบคุณเพลงนี้ม oh ัน ah. ดังสู้ผู้แพ้ไม่ได้มันดังสู้ผู้แพ้ไม่ได้เพราะมันมาชนเงินกับเพลงของพี่หมานเขาเพลง รักคุณเขาแล้วเป็นไรมันชนกันพอดีเลยรักคกนข้างใครจริงจังชนกันเอ๊ะทาไมคนมันชอบเพลงนั้นมากกว่าเพลงเราก็ไม่รู้แต่นักนักร้กกองมันต่างกันคือเทพมันดังกว่านาริษเทพรักคุณเขาแล้วนะสุเทพร้องแต่ว่าอุครองรักนี่ยนาริศร้องก็เลยสู้ไปนะอมชนกันพอดีเลยปีเดียวกัน แต่มันก็ดังพอได้แต่มันก็สู้ไม่ได้สู้รักคุณเขาแล้วไม่ได้เอาใครอีกเอาโอยบกักก็โลดเต่าๆเว่ วัฒนธรรมอาภัพกราบพราบัณฑิตข้าพเจ้าท่านสมณะนริศธรรมแล้วก็จะเดินทำญาติธรรมทุกท่านคือฟังข้ออธิบายเรื่องอัตตาเมื่อกี้ตั้งแต่มโนมายอัตตาอรูวาลิกอัตตามโนมายาอัตตารูปะอัตาอัตมาเดี๋ยวขออัตมาขอแทรกเนี่ยอัตมาอธิบายวันนี้พวกคุณฟังได้อัตมาว่ามันเป็นการเช็คอย่างหนึ่งนะว่าพวกคุณนี่ พอได้เลยนะถ้าคครหัวหมุนมวนกันแล้วไปเถอะแต่อัตมาว่าดูแล้วเออพอเข้าใจกันได้นี่ยแสดงว่ามไม่ไม่เบามันมันมีติ่งอยู่ครับคือว่าอ้อออาวแล้วทำไมทีแรกคนนี่ติ่งนั่นแหละเอาว่ามามนโนมยัตตานี่มันกลับมาเป็นตัวอรหันตตาไม่ลึกลับเป็นของพระอรหันต์แล้วกลับมาใช้มโนมญัตตามโนมยาครับเพราะฉะนั้นในแสงอรุณเจ็ดนี่ก็ถึงพูดไว้ชัดว่าอัตตสัมปทานีต้องศึกษา ถ้าไม่ศึกษาจะมาทางนี้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยครับตัวกลางของเจ็ดนี่เลยตัวอัตตามันก็ที่แรกเราก็ว่ามโนกับญาตามันกันระดับนั้นยังเป็นระดับที่จะต้องแก้ไขอยู่แต่พอมาเนี่ยมโนกับอาตามันอันระดันั้นยังพป็นระดันที่ต้องแ้ขอ่อมาเน่ยบาตานัระดับั้นย์เนระดัจะองไปอยู่ชั้านด่ยิบตมันอาศัยดอบนี้ของเป็นดัท่้องแขอยู่่านี่ยมโับญามุติันงเขามัีโลกไป เทวดเทวภูมิเทวดโลก อ, อยู่หเนี่ยอาศัยอะไรนี้เขาเฉยเฉยครับพอมาอาศัยอยู่ในชั้นดุสิตเนี่ยก็ไม่ว่าพระอรหันต์หรือ พ, พษษระโพธิสัตว์หรือพระพุทธเจ้า น, นะที่พ่อ ว, ว่าเมื่อกี้เนี่ยแต่ในตัวนี้เวลาทํางานก็เคยพ่อเคยบอกว่ามันเป็นนามรูปจะเหลือไว้เพื่อทํางานซึ่งมีอยู่5อย่างในนามรูปเนี่ยก็คือเวทนาสัญญาเจตนาผัสสะและมนุิการแต่อตัวนามรูปทั้งหมดเนี่ยมัน สอดคล้องกับอาตาัตรามโนมายอัตาที่เหลือไหมหรือว่าอันเดียวกันเวลาขึ้นอยู่ในดสิตโอแม่ถามลึกซึ้งลึกลับแลวกันเนาะนะที่จริงนามเนี่ยเวลามันไ ม, ไม่ได้ทำอะไรมันพักมันก็จะไปมีทำอะไรหล่ยโดยเฉพาะมณสินนกาเนี่นะ นาตัวมณสิกานมันเป็นการทํางานมันการปรุงแต่งเป็นการทํางานมณสิกานเป็นการจัดการทำการะคือการทำเนี่ยการทําที่จิตก็พักแล้วมันก็ไม่ได้ทําอะไรตัวนามรูปไี่หยุดอยู่เฉยๆอ่าพักมันก็อยู่เฉยๆเพราะฉะนั้ น, น จ, ะจะเหลือตัวมโนโมรจิตตาซึ่งเป็นอมตะเพื่อจะทํางานต่อจนกว่าจะประโยชน์สารไม่ได้ทําอะไร แต่ในพลังงานของจิตเนี่ยมันบอกองค์มีองค์ประกอบพลังงานของจิตมันมีวิบากครับไม่ว่าจะเป็นปุถุชนคนสวรรค์นรกอะไรก็วิบากวุ่นวายหมดแม้พระอรหันต์พระอรหันต์ท่านก็ยังมีวิบากนะวิบากของท่านมันก็ลดอกุศลที่มันมาวุ่นวายในนรท่านพัก มันไม่มีปัจจุบันใดที่จะเพิ่มเลยครับไม่มีปัจจุบันใดที่จะเพิ่มท่านจะพักหรือท่านจะหยุดถ้านก็หยุดพักอยู่ตรงนั้นเท่านั้นแม้เนี่ยอาจิตใจอะไรต่างๆนำมาถามก็พูดว่าโอ้มั น, ม, น, นมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาไปดาวทาไมอันนั้นน่ะเมื่อคุณเป็นอหรหันต์คุณก็เป็นอย่างนั้นเองอ่ะคุณจะต้องมาถามามาทําไมถามไว้ล่วงหน้าครับโอ้มันไม่เข้าท่าอะไรเลยมันไม่ต้องเป็น มันเป็นก็อธิบายยากเพราะวิบากของแต่ละคน<ร>งสงสัยอยู่ติ่งเดียวนะว่านา ม, มารูปเดี๋ยมันเป็นตัว น, นั้นหรือเปล่าถ้าบอกอ๋อนามารูปนี่หยุดอยู่ธาตุรู้นี่หยุดยมันหยุดคือมันพักพระอะหรหันแล้วนี่มันไม่มีตัวใหม่มันไม่มีตัวใหม่เพิ่มมันไม่มีตัวใหม่ที่จะต้องมาเป็นตัวเหตุปัจจัยที่จะคุยอะไรเลยมีแต่วัยอมหมาไล่เนื้อแต่จะวิ่งตามมาทันมันก็มีตัววิบากเก่าเท่านั้นถ้าผู้ใดนะมีกุศลวิบากเยอะ กุศลวิบากนั่นแหละมันเป็นที่อาตมาเคยอธิบายแล้วมันเป็นเหมือนกับที่อาตมาว่ามันเป็นกำแพงหรือมันเป็นบัฟเฟอร์หรือมันไม่ใช่บัฟเฟอร์มันแข็งมันใหญ่มันเยอะด้วยมันหนามันแน่นมันกั้นเพราะฉะนั้นวิบากที่เป็นอกุศลนันวิ่งมาตามไม่ทันมันไม่ตามไม่ทันมันตามมามาถึงไม่ได้เพราะมันมีสิ่งกั้นกุศลอยู่กุศลมันกั้นอยู่นะ เพราะ้มันก็อยู่อย่างนั้นแหละมันก็ไม่มีอะไรเดือดร้อนเท่าไหร่เป็นพ้าอรหันก็ไม่เดือดร้อนเพราะว่ามันมีกุศลเป็นเป็นกำแพงเนเป็นสิ่งคั้นไม่ให้อกคุรมันไล่เข้ามาแทรกเข้ามาถึงได้ได้มีตัวกั้นตัวกั้นนะเท่ <laughs> านั้นเองยิ่งเป็นพระโพธิสัตว์เพิ่มขึน้นมันก็ยิ่งมีตัวกุศลนี่แพ่กั้นไกลๆๆลไกเพราะฉนั้นก็ยิ่งพักได้มาก ก็ยิ่งจะไม่ต้องมารับอะไรมันก็มีเท่านั้นน่ะคพักพักเพื่อรอเอ่พักเพือ่อรอครับผมขอบพระคุณครับโอ้โหครูข้ามขั้นไปทําไมไปถึงเวลานั้นคุณก็เจอเองแ่ะเอาไอ้ปัจจุบันนี่ขอเนี่ยมันเสร็จเสร็ให้หมดเนี่ยครับกลับขอโอกาสครับอ้าววันนี้ได้ฟังเพลงเนาะไม่ไม่รู้ว่ามีครอครัวนักร้องเยอะเลย ถ้านักถ้าไปร้องโคเนี่ยผมว่าเทปโคขายดีน่าดูมันจะขายดีหรือว่ามันจะต้องเอาเป็นโลเซ็ททั้งขยะเดี๋ยวนี้นักร้องเก่งๆเขาเยอะทําเล่นไหมตอนแรกก็เออมีผู้ยกมือบอกกะโลไปให้ทางนัดคนต่อถ้าจะร้องโงสู้ไม่ได้ก็เลยไม่ร้องดีกว่าอดีแล้วอย่าร้องมากนักเลยเดี๋ยวเขาจะหาเวทีนี้เวทีมาเปิดร้องเพลงครับวันนี้ ได้มีโอกาสไปเรียนถามท่านดลเดชเรื่องความจํากับความจริงก็ก็ชัดเจนขึ้นเพราะว่าเวลาเราไม่เข้าใจอะไรก็นึกอะไรไม่ออกก็ถามสัมวนาไว้ก่อนท่านท่านอธิบายท่านอธิบายเรื่องผมผมถามเรียนถามเรียนถามท่านอย่างนี้นะครับว่าเรื่องเรื่องไก่ย่างมันมีกลิ่นหอมเราก็ติดในรสชาติมันอย่างนี้แทีนี้ทีนี้มันเลิกได้แล้วมันก็มันก็ กินนั้นมันก็ยังอยู่เราก็ยังจำได้ว่าเอ๊ะมันมันมันหายไปแล้วมันหายไปเรารู้ว่ามันหายไปคือไม่สงสัยแล้วว่าว่าความจริงอะมันหายไปความจำมันจำได้จริงแต่พอกระเถิบขึ้นมาจากจากตรงนั้นมาเป็นเรื่องอื่นมาเป็นเรื่องที่มันยากขึ้นละเอียดขึ้นเป็นกามอย่างเงี้ยว่าเอ๊ะวะวะทำไมมันจับไม่ได้ว่าอันนี้อันนี้จริงนะย้อนย้อนนึกถึงว่าอันนี้จริงนะอันนี้เป็นความจานะ มันมีมันมีเวทนาในนั้นเบ็ดเสร็จเลยว่าเออมันมันแยกไม่ออกไม่ชัดขึ้นท่านก็อธิบายเรื่องอรูปาตาเรื่องอะไรเนาะให้ฟังก็ก็เข้าใจได้มากขึ้นทีนี้ไปไปถามถามต่อจากของท่านอีกคือถ้าถูกผิดยังไงท่านท่านท่านโดนรับรับไปด้วยนะครับออไปถามท่านต่ออีกเรื่องเรื่องผัสสะวิญญาณที่เกิด ปัจจุบันขณะนะครับก็ผมผมว่ามันมีอะไรคาอยู่สักเรื่องหนึ่งระหว่างระหว่างปัจจุบันขณะของวิญญาณกับที่เลยไปแล้วมันหายไปไม่มีวิญญาณเสพแล้วเน่ยตัวนี้มันมันมันคาใจยังไงไม่รู้ตัวนี้ว่าว่ามันน่าจะมีเรื่องอะไรสักเรื่องหนึ่งอยู่ในเนี้ยว่าทําไมเราเรามองไม่ออกไม่ทะลาะไม่จะแก้งกับมันมันมันมันมันมันตะขิดตะขิดตะขวงใจอยู่กับตัวนี้ว่าเออว่าอืม คัตสะจรปัจจุบันพอหายไปเสร็จไม่มีวิญญาณเกิดทีนี้ไปรับผลมันเป็นผลของของวิบากที่สั่งสมแล้วเป็นผลของวิบากเลยแล้วผมก็ถามท่านว่าแล้วแล้วจะรับวิบากยังไงท่านท่านแนะนําว่ามันรับตามอุปทานอุปทานว่าถ้าเราอุปทานเรื่องไหนก็มันจะยึดอยู่เรื่องนั้นเป็นผลวิบากทันทีไม่มีอจตนะไม่มีวิญญาณมามันรองรับตรงนั้นแล้วมันจะเป็นผลของเป็นผลของ ของกรรมลงไปในธาตุรู้ตัวนั้นเลยทีนี้แล้วผมก็ถามต่อ ว, ว่าแล้วแล้วถ้าเกิดมันแล้วถ้าเกิดมันไม่มีอุทานเรื่องนั้นล่ะท่านก็บอกว่ามันก็ไม่ต้องทุกข์กับเรื่องนั้นมันเป็นรับผลเฉพาะที่มีอุปทานอย่างอย่างอย่างนี้อย่างนี้คืออยากสำทับนะครับท่านวะวะอยากให้ให้หลวงปู่ว่าคอนเฟิร์มอีกทีนี้ว่าลักษณะในเชิงอย่างนี้ครับว่าหนึ่งก็คือเรื่องของ นำมาทาที่ละเอียดขึ้นมันจับความจริงกับความจำไม่ชัด2ก็คือเรื่องผลวิปาสของของที่รับตามอุปทานนี่ครับสองสองเรื่องครับความจริงกับความจำเนี่ยนความจริงก็คือสภาพที่มันเกิดปัจจุบันหลัดหลับเราเรียกว่าความจริงมันครบพร้อมทั้งเหตุปัจจัยข้างนอกและในเ ร, เรียกว่าความจริง ส่วนความจำนั่นก็คือสิ่งที่ไม่มีเหตุปัจจัย ท, ทั้งนอกแล้วสิ่งที่ไม่มีเหตุปัจจัยทั้งนอกเราก็นึกเอาความจำที่มันเคยเกิดเคยมีเคยเกิดเคยมีที่เราเคยหลงว่ามันเป็นความจริงเคยเกิดเคยมีแต่เราไปนึกขึ้นมาคุณเอาความจำขึ้นมาเราก็เข้าใจได้แล้วใช่ไหมว่ามันไม่ใช่ความจริง มันเป็นความเคยเกิดแล้วเราก็ดึงมันขึ้นมาจากความจำใช่ไหมนั่นหนึ่งมันก็ไม่ใช่ความจริงสองมันไม่ได้เอาจากความจำหรอกมันไปสร้างขึ้นใหม่นิมิตในล้มิขึ้นใหม่ปรุงแต่งขึ้นใหม่เลยอยู่ในพบไม่ได้มีความข้างนอกถ้าอยข้างนอกคุณก็ะปรุงที่คุณจะปรุง กับข้าวคุณจะปรุงของอันนั้นคุณจะปรุงอันนี้มันก็เป็นความจริงของการปรุงข้างนอกแต่ถ้าข้างในคุณก็ได้แต่ขี้คุณก็ได้ปรุงไปจะเป็นได้หรือเป็นไม่ได้จริงก็ไม่รู้คุณเป็นช่างคุณก็คิดสร้างอันนั้นไปจะเป็นได้จริงคุณก็ต้องมาทําความจริงข้างนอกอีกแต่จริงๆแล้วที่อาตมากําลังจะอธิบายนีเพื่อจะชี้ว่าคุณปรุงแต่งใหม่มันก็ยังไม่ใช่ของจริงใช่ไหมไอ้ความจํามันก็ไม่ใช่ความจริงแล้ว ปรุงแต่งใหม่ขึ้นมามันไม่ได้เป็นความจำเราคุณแปงแต่งใหม่ขึ้นมามันก็ไม่ใช่ความจริงใช่ไหมเพราะนั้นความจำกับความจริงมันต่างกันอยู่อย่างนี้ถามเรื่องความจริงกับความจำเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วในความจริงนั่นแหละเรามีกิเลส ด, ดูดกิเลสผลักกับความจริงไหมที่มันเกิดตามหจมูกลิ้นการกระทบถ้าคุณล้างหน้ากระทบเดี๋ยวนี้ เออมันก็ไปเกิดดูเกิดผักแต่มันยังไปติดอยู่ในความจำมันยังเออริ้วๆลอยๆไปรูปปาครับมันห ย, ยหาเกิดสัญญาความจํางินเอาความจำเอาความจำเก่ามาปรุงอีกหรือไปคิดใหม่มาปรุงเสริมขึ้นไปอีกนั่นก็ความบ้าของคนที่เป็นเล่นกับความจำสัญญาความจำน ะ, ะเพราะฉะนั้นในความจำ พระพุทธเจ้าก็พูดเหมือนกันต่อไปเหมือนกันว่าไอ้ความจำนี่แหละมันได้ยากทิ้งได้ยากกับสิ่งที่มันเป็นความจริงหรือมันสิ่งที่ผ่านมาข้างนอกมันนานทั้งความจริงเ อ, อะพุทเช้าทั้งความทั้งความจำที่เก่าทั้งไปเทศมีอะไรใหม่ๆขึ้นมาปรุงแต่งกันบ้างอันนี้แหละที่มันยากทีนี้คุณจะรู้ ประเด็นหลังอะไรอันในะประเด็นหลังวิบากอภิบากอุปทานวิบาก ค, ค, ค, คือการยึดขออภัยอุปทานคือการยึดวิบาก ค, คือสิ่งที่มันเกิดแล้วเป็นผลทีนี้ไอ้ผลที่เกิดแล้วเนี่ยคุณจําได้ก็ไม่เป็นไร ผลนี่เกิดแล้วก็จำได้ก็ไม่เป็นไรตา่างกันกับอุปท า, านทีว่าคุณยึดว่าเป็นเราเป็นของเราไหมอย่างพระพุทธเจ้านี่จะโหจำได้เยอะวิบากท่านก็เยอะท่านก็จำมิบากท่านได้เยอะแต่ท่านไม่ยึดท่านรู้เพราะอาการคำว่ายึดนี่จึงยากยากที่สุดเลย ที่เราจะรู้ว่ามันอะไรยังไงยากแต่เราก็จะรู้ว่าเราปล่อยคําว่าปล่อยไม่ยึดเนี่ยปล่อยเนี่ยอาการมันวางมันไม่มีแล้วมันจืดจางมันร้างรามันเฉยเฉยมันกลางๆางมันอะไรเนี่ยอันนั้นแหละที่เรียกว่าเราไม่ยึดแล้วน้ําหนักของความไม่ยึดนี่แหละมันยังมีละเอียดละเอียดละเอียดอยู่เยอะเพราะงั้นจําความจํา ที่เป็นวิบากไม่เป็นไรที่เป็นผลผลดีก็ตามผลชั่วก็ตามแต่ถ้าบอกว่าผลดีเราก็ควรจะจำไว้แต่ผลชั่วไม่เห็นจะต้องจำมาทำไมหรือจริงๆแล้วผลเจ็บแม้แต่ผลที่มันดู ด, ดื่มมันก็ไม่ควรจะจำอะไรหรอกมันก็จะจำแต่เฉพาะสิ่งที่มันเอออันนี้เป็นประโยชน์อันนี้เป็นคุณค่าอันนี้เป็นสิ่งที่ น่าจะรักษาไว้ใช้ประโยชน์นะเพราะฉะนั้นในเรื่องประโยชน์จริงๆเนี่ยมันต่างกันกับสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่มันเป็นรสรสทางทุกทางสุขหรือรสทางโรกีอะไรต่างๆนานามันอร่อยมันเพินมันหวานม่ได้ต่างๆนานาพวกนี้มันจะไม่เหมือนกันถ้ารสประโยชน์มันไม่มีสิ่งเหล่านั้นชูใจรสโรกีมันอร่อยมันเพิินมันรู้สึกดูดีมันจะไม่มี มันมีแต่รสรูปประโยชน์คุณค่าเพราะฉะนั้นจำสิ่งนี้มันจึงไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยอะไรเท่าไหร่มนุษย์แต่คุณค่าประโยชน์มันเหลือแต่อย่างเดียวเท่านั้นเองคุณค่าประโยชน์นั้นมันก็มีมา n a ถือดีเป็นอัตราตัวสูงมา n a ถือดีมันเป็นคุณค่าเราเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเราทําแล้วมีคุณค่ามีประโยชน์ก็ตัวนั้นเท่านั้นมันก็จะเป็น แต่มันไม่ไม่เป็นภัยมากมายไม่เป็นภยัยมันจะไปอวดดีถือดีแล้วก็ยึดถือตัวเองเท่านั้นแหละมันก็มาเป็นมันก็ไม่วางมันก็อุปทานเท่านั้นเองแต่มันเป็นพิษแล้วนะถ้าเป็นในระดับที่มันเป็นยึดสิ่งดีมานะนี่คือถือดียึดดีเท่านั้นเองถ้าสิ่งที่มันเป็นโลกีเป็นอะไรอยู่นะั่นก็มันยึดกับวิบากนะ วิบากเรืองแต่เราล้างเหตุแห่งวิบากที่มันเป็นเรื่องของโลกีสุขทุกโลกีเราล้างหมดแล้วอดีตมันก็เป็นความจำหรือเป็นตัวที่ยังมีตัวเหตุปัจจัยของสิ่งที่มันจะตามมาเล่นงานเราซึ่งมันไม่ใช่เราไม่ใช่หน้าที่ของเราด้วยเรามีแต่จะหนีแต่ันนี้มันไม่ได้เท่านั้นเองเพราะว่าไอสิ่งที่มันจะตามมานะัมันก็เป็นพลังงานที่มัน จองเวรจองกรรมกันอยู่ในโลกเราไปห้ามเขาไม่ได้ห้ามมิบากนั่นไม่ได้เท่านั้นเองแต่ว่าเราถ้าราสร้างอย่างที่ว่าเนี่ยเราสร้างตะกุศลวิบากกุศลนี่นะสร้างวิบากกุศลมากมากมา ม, า ม, ามาแล้วมันจะเป็นกำแพงกั้นหรืเป็นสิ่งที่ขั้นอย่างที่ว่าเนี่ยเป็น เป็นบัฟเฟอร์เป็นวอลอะไรก็แล้วแต่มันก็จะเป็นพูนั้นขั้นว่าพระราารรอรหันต์นี่ว่าผู้ที่ไม่สร้างแล้ววิบากอากุศลไม่สร้างอีกแล้ววิบากบาปไม่สร้างอีกแล้วมีแต่กุศลกุศลกุศลกุศลก็เป็นสิ่งขั้นหยุดแต่คนลกโลกเนี่ยไม่รู้บาปไม่รู้บุญไม่รู้กุศลอกุศลมันส่วนมากมันเป็นอกุศลสัมมากมันก็เลยเยอะ พอเราลดแล้วปัจจุบันนี้ไอ้แล้วแล้ไปแล้วไ ป, แ, วไปแก้ไขแล้วมันไม่ได้ <c oughs> แล้วแล้ ว, แ, ลวแก้ไขไม่ได้อังกุสโรวิบาสนี่แก้ไม่ได้เลยเป็นแต่เพียงว่ามันจะไล่เราทันหรือไม่เท่า น, นั้นเองขนาดพระพุทธเจ้าอ่ะยังมีส่วนไล่มาทันท่านเลยท่านหยุดไปตั้งอี ก, กี่ล้นล้านล้านล้า น, านชาตอิอย่างนี้เป็นต้น นะแต่มันก็เบาอ่ะมันก็เบาเมื่อวันกว่าจะมามันก็รดแรงมันก็ลดลงลดลงลดลงลดลงนะเพราะนึกอจินไต่พวกนี้กรรมวิบากพวกนี้นะอาตมาก็พยายามอธิบายเท่าที่มันพออธิบายกันได้ไม่อจินไต่ที่โอ้โหไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะสรุปแล้วิบากกับอุปทานวิบากนี่ไปอุปทานเนี่เป็นสิ่งที่เราจะเรียนดูและหยุดวางส่วนวิบากเนี่ยไปคิดมันมาก มัเป็ไปตามสัจจะของมันวิบากวิบากคือสิ่งที่เป็นแล้วจบแล้วผลของสิ่งที่ทําไปจากกรรมวิบากคือผลของกรรมจะมาแก้ไขอะไรไม่ได้เราทําใหม่ทําปัจจุบันนี่ไปเถอะแล้วก็ล้างไอ้สิ่งที่ยึดให้มันหมดล้างอุปทานให้หมดพอล้างายึดให้หมดอุปทานหมดแล้วหมดหน้าที่แต่คุณไปทําอะไรกับวิบากไม่ได้มีแต่กรรมใหม่ที่คุณจะสร้างกูศสนไป กิเลสไม่มีไม่ทําบาปอีแล้วกม็มันก็ดีแล้วแต่ทำแต่กุศลเนีทนี้ไปเรื่อยๆมันก็เป็นเครื่องแล้วราคาของกุศลของพระ อ, อรหันต์นี่มันสูงนีมันจะเป็นสมมติว่าคนดีไม่ใช่คนดีคนปุถุชนเนี่ยเขาทำกุศลกุศลเขาทากุศลของคนของคนปุถุชนเนี่ยกับพระอรหันต์ทำกุศลนี่นะคุณภาพของกุศลมันก็ต่างกัน นี่ก็เป็นความซ้อนของสัจธรรมเพราะว่าท่านทำกุศลนี่มันสะอาดกว่าปุตุชนใช่ั้ยพอเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นคุณค่ามันต่างกันอีกต่อให้กุศลเรื่องเดียวกันเลยก็ต่างกันคุณค่าต่างกันนี่นความละเอียดซ้อนนะเพราะฉะนั้นพระอาหารต์ทำกุศลให้ถึงพร้อมอยู่่โอ้โหท่านได้คุณค่าเยอะ นุ่นข้าคุณภาพสูงไปริ้วริ้วรวรวรโสดาก็สะอาดไประดับหนึ่งส ก, กิทาสะอาดสะอาดไปอีกอนาคาสะอาดอรหันก็ยิ่งสะอาดอีกเป็นโพลิสัตนก็สะอาดไปอีกตามระดับก็ยิ่งมีคุณค่าสูงขึ้นไปอีกซึ่งเหล่านี้เป็นเรื่องละเอียดลึกซึ้งซับซ้อนสัสจจะที่เดาไม่ได้เลยแต่ตมาพออธิบายฟังนี่พอเข้าใจไหมไม่ใช่ง่ายยากแต่ว่า มันจริงมันจริงอธิบายฟังสรุปแล้ววิบากคนอย่าไปคิดมากเรียนรู้อุปทานตอนนะั้นวิบากนัคือผลของกรรมข้อสําคัญกรรมนะคุณอย่าไปทําไมกรรมคือปัจจุบันทําแล้วมันก็นวิบากทําเสร็จก็เป็นวิบากยังไม่ทําก็ไม่มีกรรมถ้าทําลงไปปัจจุบันปับ๊บกรรมกเสร็จปุ๊บมันก็เปวิบากปับ๊บแล้วใครจะไปบุ่นอะไรกับมันทำไอ ล้างอุปทานนั่นน่าอ้าวครับกราบในมาตการตัวเติครับเออขอถามเอาเร็วคนสุดท้ายแล้วนีดเร็วไปเลยนิดเดียวขอถามยินนิดเดียวครับเอาเอานิดเดียวเอ่าส ก, กายะก็เป็ว่าตัวตวนน่ยอัตตาก็เป็ว่าตัวตวนทั้งสองตัวนี่ใช้ใช้ในกรณีไหนในใช้เนี่ยใน กรณีใดถึงจะถูกต้องอะไรเงี้ยอ๋อคำว่าอัตตาก็ดีตัวตนตัวตนแปลเป็นไทยว่าตัวตนสักกายะก็แปลว่าตัวตนอสวะก็แปลว่าตัวตนมันเป็นภาษาบัญญัติให้รู้จักสภาวะธรรมโดยเฉพาะตัวตนที่เป็นอาการของกิเลส อาการของกามมันต้น <c oughs> กามมีเหตุมีปัจจัย <c oughs> <c oughs> อยากใครในสิ่งที่ยาบตำ่ำสักกายะแปลว่าตัวตนขั้นต้นขั้นยาบขั้นแรกขั้นก่อน <c oughs> คุณรู้ตัวตนตัว น, นี้ให้ได้ถ้าเรียกว่าสักสัก <c oughs> มันคืออะไรเป็นเหตุในหลวงจึงเวลาแล้ว <c oughs> คำว่าศักกนะนี่แปลว่าตัวตัวเราจริงๆสักกะนั่นแปลว่าตัวตนแปลว่าตัวเราจริงๆแปลว่าตัวเราอัตตาก็หมายความเป็นแปลเป็นภาษาไทยว่าตัวเราทีนี้ตัวเราของสักกะเนี่ยมันคือตัวที่ท่านกำหนดว่าเราจะต้องมีญาณรู้อาการของจิตเจตสิกตัวนี้ จนคำว่ า, าตานมันเป็นภาษากว้างเป็นภาษากลางเป็นภาษาสามาัญ น, นามเหมือนเราเรียกว่าคนโอ้ใครๆก็คนหมดเป็นสามาัญ น, นามแต่ว่าคุณสะอาดดีนี่แหละมันเป็นสักกะของตัวคุณนั่นแหละ เพราะงั้นคุณต้องมียานอ่านตัวกิเลสตัวนั้นได้นี่เป็นตัวสักขะของเราแต่ถ้ากล่าวถึงตัวตนทั่วไปก็อัตตาพูดกันไปแต่ใช้เป็นบัญญัติแทนอะไรก็ได้หมดอัตตาตัวตนสักกะกายะนั่นไปนคือองค์ประชุมก็คือองค์ประชุมของรูปนามของจิตเรานี่แหละรับสิ่งประกอบมันปรุงแต่งกันเข้าเป็นตัวตนจึงเรียกว่าสักกายะ แล้วคุณจะต้องมียานอ่านตัวนี้เห็นคุณอ่านตัวนี้เห็นปั๊บคุณพ้นสังโยกข้อที่หนึ่งยานของคุณเกิดถึงตัวตนตัวนี้แล้วเป็นตัวการกิเลสที่ตัวจะจัดการแล้วคุณก็จัดการลดลงลดลงลดลงลดลงจนมันเหลือน้อยปลายเรียกว่าอาสวะพอดับัวน้อยนั้นหมดน้อยเลยเกลี้ยงไม่เหลือหมดอาสวะก็ตัวตนเหมือนกันนี่ถามถามท้องตัว แถมอาสวะอีกตัวรู้เพิ่มขึ้นไหมตัวตนแกบเข้าใจครับอ้าวดีแล้วอ้าวที่นี้มานากักบวชมีเวลาให้4ีนาทีเอาแถมอีกแถมมาอีกห้าก็ได้เอาขอขอการครับก็บวันนี้ได้ฟังความความรักมิติที่แบบอริยนิยมนะครับ กระทำให้นึกถึงรอริยนิยมครับอริยนิยมอะอริยนิยมอเดียวกันอัตถวานิยมอริยนิยมอัตถวานิยมกระ ท, ทำให้นึกถึงออพระสูตรหนึ่งที่พูดถึงอริยวัสสูตรความเป็นอยู่ของภริยะที่ในปฏิปปุจจะ พระเจ้าจะตรัสเลยว่าภริยานั้นย่อมไม่แสวงหากรรมไม่แสวงหาภพวันนี้พวกครูก็อธิบายวิธีที่จะเรียนรู้เรื่องภพซึ่งซึ่งก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะในช่วงนี้เราจะเห็นได้ว่าเป็นช่วงที่บรรากค่อนข้างที่มีงานเยอะมากเลยนะครับดูเนี่ยทั้งหน้าทั้ง หน้าชุมชนหลังชุมชนข้างชุมชนงานออกไปเต็มไปหมดเลยนะแล้วอีกไม่กี่วันพ่อครูก็ต้องเดินทางเข้ากรุงเทพรู้สึกครั้งนี้จะเป็นการเดินทางที่ยาวด้วยก็แต่มีคนตั้งเขาตั้งเกณฑ์เหมืนกันว่าถ้าพ่อครูไม่อยู่เนี่ยจ 20, ํานวนยี่สิบก็จะลดน้อยตามจํานวนตจานวนวันเออ <laughs> วันเวลาที่พ่อครูอยู่ด้วย <laughs> เออ <laughs> <laughs> ดีดีบอกกันบ้าง ถ, ถ, ถ้าถาไม่ค่อยอยู่เนี่ยคนก็จะน้อยลงไปอีก เ, เ, ออเราเห็นได้ว่าจริงๆชีวิตของคนเราเนี่ยน้อยมากนะมันน้อยมากแต่ไปถามคนนะอายุเก้าสิบเนี่ยถามว่าถามเขาว่าเขารู้สึกเขารู้สึกไหมว่าเขาอยู่นานแล้วเนี่ยเขาจะบอกว่าไม่รู้สึกว่านานเลยนั้นแป๊บเดียวไต่เด่นเก้าสิบแม้จะเก้าสิบแล้วก็มันก็รู้สึกว่าไม่นานอย่างนั้น ถ้าฟังเขาพูดแล้วเราจะเห็นหดได้ดามาด้เขาคิดอย่างหนึ่งว่าเวลาของชีวิตไม่จะอยู่ร้อยปีก็เหมือนกับแป๊บเดียวเหมือนกับไม่นานเพราะว่าเวลาที่เขาจะเข้าตามทำตามพบของเขาเนี่ยมันยังมีอีกเยอะเลยนะเคยไปเยี่ยมคนป่วยบางคนถูกตัดขาตัดอะไรจนเกือบจะหมดทั้งตัวแล้วเนี่ยฟังเขาพูดเนยังมีเรื่องที่ต้องทาอีกมากมายในพพของเขา งานที่เราจะทําตามพบเนี่ยก็รู้สึกว่าทําอีกร้อยชาติก็ไม่ไม่ที่ไม่สุดทําตามพบตามความคิดของเราแต่จะเห็นได้ ว, ว่าถ้าเราไปอยู่ที่บา้าเรามาอยู่ที่บ้านลาดเนี่ยนำมาว่าที่ราดทานีโศกเนี่ยจะมีจุดแข็งอย่างหนึ่งว่าเมื่อมีความจําเป็นอะไรเนี่ยเรามีพลังรวมทุกคนพร้อมแยออกจากพบล อ, อกมาลุยร่วมกันเราใช้ได้อย่างตัวอย่างความโดดเร็จในงานเจเนี่ย มีพลังรวมสูงนะที่ชุมชนอื่นๆนี่ทำไม่ได้พอสาบานไปหมดทั้งชุมชนเลยไม่มีใครอยู่ติดนี่เลยนะออกไปรวมแรงรวมใจกันอันนี้เป็นจุดแข็งของเราพะงั้นในใ น, ในจุดแข็งนี้ก็เป็นงานที่เราจะได้ว่าเมื่อหลอกจากพบเนี่ยเราจะมีความสุขนะแต่เห็นได้เวลาพวกเราเนี่ยเวลามีแขกมาทุกคนจะยิ้มย้ําจําใสนะพอแขกกลับไปแล้วก็รู้สึกว่า เก่าเขาพบอย่างเก่าเนี่ยมันก็ไม่มีความสุขอย่างเท่าเก่าแล้วนะงั้นทุกๆครั้งที่เราจากพบเนี่ยออกไปจา ก, จากพบมาพบกันเนี่ยเราก็จะมีความสุขแล้วเป็นอริยภูมิอริยนะอริยภูมิทิพระอาจารย์บอกว่าไม่สแสวงก ร, รมหากรรมไม่สแสวงหาพบคนนี้จริงๆแล้วเราทํางานเนี่ยในงานนี้มันก็มีพบอย่างหนึงเหมือนกันที่ทําให้เราไม่สามารถออกมารวมกันได้ออกมาพบกันได้ ก็แต่ก่อนเราบางจะพูดอ่ะพูดกันบ่อยๆอ่ะนะพบใครพบมันศาสนาใครศาสนามันคือต่างคนต่างว่ากันไปพลังรวมพลังรวมเนี่ยก็ไม่มีนะอย่างนั้นในงานในที่สุดเนี่ยถ้าเราแต่ชีวิตเราจะิ้นสุดเนี่ยนะแต่มาอยากให้นึกถึงตอนที่เราไปชุมนุมกันเนี่ยเราเห็นได้ว่าในการที่เราชุมนุมเนี่ย เราต้องวางคบของเราทั้งหมดเลยนะแล้วก็ทำตามเหตุปัจจัยแต่ละขณะแต่ละปัจจุบันพอเสร็จสิ้นงานชุมนุมปุ๊บเขาบอกว่าเลิกเนี่ยไม่มีใครอะไรอาวอนใช่ไหมว่าโอโ้โหกาลังชุมนุมมันๆันอยู่เลยนะกาลังแมอยากจะชุมชุมนุมต่ออะไรเนี่ยพอชุมนุมเลิกปุ๊บเราก็เหมือนกับภารกิจเสร็จสิ้นจบวางแล้วก็กลับมามีความสุขกันนี่คืองานที่เราไม่มีพบข้างคางตอนนี้ ครับท่านเอกมัยก็เสนอว่างานบ้านลาดเนี่ยธรรมะคึดว่าอยู่บ้านราดเนี่ยไม่ต้องวางแผนก็นได้ไม่ต้องวางคผนก็ได้นะเพราะว่าพระเจ้าเ อ, อประทานนะประทานให้เราอยู่ทุกๆขณะนะข้าวเราเหลือเยอะจนเราแก้ปัญหาไม่ได้ทางกรทมอบอกว่าส่งไปให้หมดเลยนะจะเอาห้าร้ยตันโดยเรามีแค่สองร้อกว่าตันเท่านั้นเองนะอันนี้เราก็ต้องไปรวมพลังกันช่วยช่วยเรื่องข้าวกันเต็มที่ ท่านถบาวนก็บอกว่ามีโรงงานที่ก็จะบริจาคปุ๋ยเป็นหมื่นเป็นแสนตันนะที่จะมาบริจาคให้เราโดยตรงเลยนี่ก็เป็นเรื่องที่พระเจ้าประทานมานะที่เราจะเรียกว่าแทบจะไม่ไม่ต้องทําอะไรเนี่ยพระเจ้าจะบอกมาให้เราตลอดเวลานะตอนนี้ที่ริมมูลเนี่ยน้าก็เริ่มแห้งแล้วแตมามีพวกเราบอกให้ไปช่วยหาแหล่งมันหน่อยด้ย แต่มาก็โทรไปถามมาเปิ่มเ ป, ปิ่มบอกว่าที่กันทลักเนี่ยเป็นแหล่งที่ปลูกมันเลี้ยงคนทั้งที่หจังหวัดท่านเจ้าเท่าไร่บอกมาเลย เ, เนะเป็นจะเป็นสปอนเซอร์หามันมาให้เราจะหาคนมาปลูกให้ด้วยอีกต่างหากอันนั้นนี่อันี้ก็เป็นเรื่องที่ทุกอย่างเนี่ยพระเจ้าจัดสรรมาทั้งหมดเลยนะเป็นเพียงพวกเรามาตอนนี้ที่ผู้บัญชาการบอกเลยว่าต้องการรวมพลังออกจากภพมาพบกันนะ ทำงานตามที่พระเจ้าประทานให้จะมีความสุขมากกว่าทำงานตามที่พระเจ้าต้องการนะเขจะเล่นทำแต่ท่านเดินดินมาพูดถึงอันนี้ขึ้นมาแล้วอาตมาก็เพิ่งสาเนีกขึ้นมานะว่าเรื่องนี้จริงได้มาบารืนเนี่อาตมาก็จะต้องเข้าสติสุขไปแล้วและไปคราวนี้จะนานจะเป็นหลายอาทิตย์เลย เพราะว่ามันมีอะไรต่อเนื่องอยู่มีโยมตั้งจะต้องไปเสวนาจะต้องมีอะไรกิจอะไรเขาก็หลุนัดเนื้นกันไว้ไปปลา ย, ออายประมาณสองาทิตย์เพราะงั้นถ้าสองอาทิตย์นี่นะลงเวลาของเราจะสิ้นปีละแล้งงานที่จะถึงเดือนธันวาเนี่ยเนี่มันก็จะสิ้นเดือนพฤศจิกาละอ มาไปวันที่22แล้วถ้าไปสองอาทิตย์ไปอี ก, กโอโหปาเข้าไปเกือบกลางเดือนธันวาถ้าพวกเราไม่อยู่จะมากันกลางเดือนธันวาแล้วก็มาช่วยงานมึงเริ่มต้นตั้งแต่28่ธันวางานบบบบเนี่ยเริ่มตั้งแต่ยีธันวาแต่งานอะไรอะไรพวกนี้ก็เยอะอยู่นะ เพราะงั้นก็ยังไงยังไงผู้ที่อยู่ช่วยกันได้ไม่มีอะไรจําเป็นอย่างคอขาดบาดตายอะไรช่วยๆกันหน่อยนะนะแม้วัตถามาจะไม่ได้สอนมันก็มาเรียนได้นะคนนั้นคนนี้ช่วยกันจัดกันขึ้นที่บรรยายกันขึ้นก็ได้หรือเอาเทพมาเรียนมาอะไรอะไรก็ได้ เทพดิลันตอนหลังๆเนี่ยอาตมาว่าอาตมาอธิบายธรรมะมันลึกซึ้งขึ้นนะมันยายแม้แต่อาตมาฟังเองบอกเออมันมันก็มีอะไรไม่รู้นะถามว่าวอาตมาหลงตัวเองกันแล้วแต่แต่อาตมาว่ามันมันจริงนะมันมีอะไรลึกซึ้งขึ้นมันมีอะไรซับซ้อนแล้วก็เอามาเปิดเผยเอามาขยายเอามาต่อเนื่องเอามาเรียงจิกซอต่องตางๆร้อยมาลายให้อะไรต่อให้มันชัดขึ้นนะ อาตมาว่ามันมีได้งั้นจริงจริงเพราะงั้นก็เอามารีรันก็นัดกันก็ได้ตั้งเนนัื่ในไ่ก็ได้อันนี้ก็จริงก็น่าจะจัดนะพวกเราเองก็จจัดกันดูว่าเออช่วงที่อาตมาไม่อยู่เนี่ยถ้าเผื่อว่าเราจะไม่เอาเวลานั้นไปไปช่วยงานจะเรียนจะเรียนกันยังไงใครจะช่วยกันสอนเรื่องอื่นวิชาอื่นบ้าง ก็น่าจะลองลองคิดแล้วทำดูเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เราทำเล่นนะวานบอรนี่ไม่ใช่ทำเล่ น, นตอนนี้ยิ่งพ อ, โ, อโหจะสร้างอาคารวานบอรอาตมาว่าให้เอาไอโลโก้วานบอรไปติดบนหลังคาบอกสถาปนิกไปสถาปนิกฝันใหญ่เลยตอนนี้โอโหจะสร้างเป็นเรือเลยอาคารเนี่สร้างเป็นรูปเรือเลย แล้วก็จะหันทิศมานีมาต้องถามท่านถักบุญนั่นคุยกันก็สตารปนิกตมาว่าสตาปนิกปนก่ก็ฟุ้งซ่านก็ใหญ่เลยเอเกิดอะไรของเขาขึ้นก็ไม่ลูกมันก็ไม่ได้เติมเงินให้นะแล้วก็ไปคิดเองอยากทำนี่ <c oughs> ว่าเราไม่ได้ทำเล่นนะอาคารนี้เนี่ยชื่อวอนอบนะ <c oughs> ซึ่งมันก็เป็นอาคารรวมหมดแหละการศึกษาของเราทูกชันเพราะว่าคนของเรามันไม่เยอะนักศึกษาเราไม่เยอะถ้ามันเยอะในอนาคตจ ะ, จะสร้างอาคารใหม่ก็ค่อยว่ากันอีกไอเอัตมาว่า อ, อ, อ, อีกนานนักศึกษาพองเราเนี่ยมันไม่เยอะหรอกขนาดมีแค่นี้ก็ยังตูสิ้นเนี่เวลานั้นก็ยังค่อยๆหายไปค่อยๆรวมเงินไม่ค่อยจะ้นั่นเลย อ้าวก็สาทับกันนิดหน่อยนะอาตมาก็ไม่ชอบบังคับคนออกให้สำนึกแต่ละคนแต่ละคนมีคนถามมาว่าแนวคิดช่างยนต์นี่เป็นแนวคิดช่างยนต์เห็นว่าเขากล้องนี่เปรียบเหมือนเสมือนน้ำมันเครื่องนะเขากล้องเปรียบเสมือนน้ำมันเครื่องก๋วยเตี๋ยนี่เปียบเสมือนน้ำมันเบรกขนมนี่ก็เหมือนน้ำมันดีเซล นี่มองอย่างเชิงช่างเขากล้องนี่เหมือนน้ํามันเครื่องว่าไงน้ํามันเครื่องนี่มันช่วยทําเครื่องยนต์นะก็ะเตี๋ยวจะเหมือนน้ำมันเบรกมันเป็นปน้ํามันเบรกยังไงขนมนี่เหมือนน้ำมันดีเซลอแต่มาไม่ค่อยจะสะอาดซึ่งไม่ค่อยจะชัดเจนนะน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกน้ำมันดีเซ ล, ล, ลเขากล้องก๋วยเตียวขนม น, มนี่นมันยังไงอะ ไอ้น้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกน้ำมันดีเซลนี่มันสำคัญหมดทุกอย่างอันเลยนะข้ากล้องกับขนมไอ้ข้าเสียวกับขนมนี่มันจะสำคัญเข้ากล้องเหรอมาเป็นน้ำมันเบรกเนี่มันสำคัญน้ำมันมีน้ำมันเบรกก็ตายทัานวิ่งไม่ได้รถนะแม้แต่น้ำมันดีเซลก็ตามยิ่งตัวปั่นเครื่องเลยนะน้ำมันดีเซลเนี่ยนะน้ำมันเครื่องยังไม่ใช่ตัวปั่นเครื่องเท่าไหร่เลยอ๋อ แล้วมาเป็นขนมโอ้แนวคิดแบบนี้เรื่องว่าพบหรืออัตตามีทั้งพบทั้งอัตตาแหละโอ้เอาไปนอน <laughs>